ดเลนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจก็เชิญเข้ามาร่วมได้ถ้าเข้ามาทัานถ้าเข้ามาก่อนถ้าเข้ามาทีหลังก็อาจจะต้องรอคิววันนี้ท่านแรกก็คือ เด็กชายพี่เคกลับมาแล้วเหรอกรับนมัสการครับพ่ออาจารย์อ่าเป็นยังไงอยู่คนเดียวครับพ่อคิดถึงแม่ไหมไม่ครับอ่ไม่คิดเลยเหรอใช่ครับพ่อาจารย์อ่ดีใจไม่ใช่กลับมาอยู่กับแม่แล้วตอนนี้อืมไ ม, อไม่ค่อยครับไม่ค่อาจารยทำไมละ่ะเพรว พู่ว่าแม่ดูเลยอืม mm. ใช่แ ม, ม่ดูนะพ่อไม่ดูใช่ไหมเราอยากไปอยู่ญี่ปุ่นอีกแล้วคร่ะอาจารย์เออหนูเป็นคนญี่ปุ่นแล้วนะไม่ใช่คนไทยนะ mm. ใช่ใช่ไหมก็อยากจะอยากจะอยู่ญี่ปุ่นแล้วค่ะเพออะไรเลยคะมีเพื่อนญี่ปุ่นเยวกับเพื่อนคนไทย mm. ใช่ไหม ก็บอกอาจารย์ปสิลูกตอนี้ยังไม่อยู่ญี่ปุ่นก็เลยยังไม่มีเ พ, เพื่อนเขาอาจารย์แล้วทำไมถึงอยากไปอยู่ญี่ปุ่นมาตอนนี้เพราะว่าอยากจะทป็เพื่อนทั้งที่ไทยแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นกับอาจารย์อ๋อแล้วไม่ไม่คิดถึงแม่หรถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นไม่ไม่ได้ไปด้วยไม่ค่ะอาจารย์โหไม่รักแม่เลยนะอืม รักบ อ, อลครึ่งหนึ่งครับอาจารย์รักครึ่งเดียวนะรักกิจบุญมากกว่รักแม่ใช่ไหมแม่ครับอาจารย์โอแม่เสียใจแย่อะไรยี้าเกิด<อ>ถ้าเกิด น, นม่ยกให้พ่อไปแล้วไหมไม่แม่ไม่ไม่เอาหนูพี่เคแล้วไม่อยู่กับหนูและมีความพัฒนาดีไหอืมยังคิดอยู่ครับอาจารย์ ยังคินอยู่ยาวดีไม่ดีเลยอืมอทำไมดียกไม่ดีอืมยังไม่รูครับอาจารย์อ่างั้นชวนบอให้ฟังก่อนก็แล้วกันค่ะหลัง่ะงสุดคหลังพูดจะชัดให้จะดีพูดต่างพูดต่างภควันตาอัจฉริยมี สว<า>ัสดี่ตวสวัดค่ะมาตมมามนมาสามีสุปฏิพันโนสุภาพิพันโนเพระเาตัวสาวกสังคมท่ังน้ำมามีอะไรต่อฮะน้โมัใช่ไหมไม่ใช่อ่ า, อ, าอะไรอ่ะไรพูดทังสามัน อาชีพธรรมาสํานังกษมิดีดีสิลูกอะอีกะสคัญสาคักสํานักกษิตรติทุตยัพิจารณาํานกกษิอ่าอีกทีสองอีกทียองแบก็อะไรฮดีดีสิลูกถ้าสมมาสมปตวิปปาวาสมปตวิปจจะละัสัมปนสกุตุลูกวิอรุณแต่รสมาทํามาสอทีาย อัจาร์วัสวะมนุษย์นำพุตธประกาติสวาาัสดี่ดูพุทธประกาตาโมสมสันทีโกอากาลิโกเอหิปัสกอวิโกตัจจนาวิหิปุวิญญูหิติสุปฏิปัติมนุ า ส, สาวสังโฆอุชิปันโนพะกัมมートสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพะกัมมートสาวกสังโฆสามีสามีจปฏิปันโนระสาวก ส, สังโฆญทจตุมิวิสานุขมติวิสปุสตสาวกสังโฆ ตั้งาหนโยป่าหุนในโยทักษินในโยมัญใช่หรอเลายวมนุษย์แต่งมนุษต่เปลือยเขตตะลกมาซาติโอเก่งมากเนี่ยทำได้เยอะเลยไปเร็วในความจริงีไปแล้วแ่ละไปแล้วไปแล้วอากาศผ้าจานกันไม่มีอะไรรายงานแล้วหรอไม่มีอะไรทุกข์เพราะจันหายดื่มังอย่างครับ วันนี้ตรงเรียนก็ไม่ได้เรีามาบอกกับพ่อจาย์กับนังสึกษาครับอาจารย์นี้เป็นไงบ้างเจ้จ๊ะเพราวันนี้น่าสังขารกี่ขวดแล้วกี่ขวดแล้วเนี่ยหกขวดเพิ่งเต็มใบเมื่อทันวานี้ค่ะพระอาจารย์มีปอนหนึงนะค่ะปอนหนึ่งแล้วค่ะรักแต่พ่อเนี่ยค่ะทั้ ง, งที่แม่จ่ายทุกอย่างเลยค่ะใช่ไม่ได้บอกเขาค่ะแล้วนี่ปน เรื่องญี่ปุ่นท่เกดูลูกครึ่งที่เป็นพ่อเป็นญี่ปุ่นนี่มั้ยาอยากจะอยู่ญี่ปุ่นมากกว่าน ใ, ใ, ใ, ใ, ใ, ใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เจอกันด้วยมั้งคะอืเขาก็เลยไม่ได้มีการสอนมีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เขาก็ยังไม่ทราบนะคะว่าพ่อค่ะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ เช้าว่าเป็นไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เอไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องทักไปแล้วเรื่องของผู้ใหญ่ปล่อยไปไยตามรธรรมชาตินี่ใช่ไหมคะอาจารย์ไมไบางทีพูดมาก็เสียใจเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ก็อดทนก็เ อ, อ๋อมันก็เป็นอย่างนี้เนาะลูกเราเราเรียกว่าแต่ใจเขาก็เป็นอของเขาเขาจะรักใครเขาคงอยากเขาโตที่ญี่ปุ่นด้วยมัง้งเขาเลยเติบที่ญี่ปุ่นมากกว่า ค่ะพรอาจารย์บางทีบางคําพูดก็แบบโอ้ยทาตาจะไหลแต่ก็อดทนค่ะพระอาจารย์ใช้ช่องว่าง ก, กันไม่ลูกในการมาใช้นี่ใช้นี่เก่าค่ะพระอาจารย์ลูกเป็นเจ้านี่แล้วอย่างนั้นเลยค่ะพระอาจารย์คิดคิดคิดแบบนั้นเลยค่ะว่าคงไปติดนี้อะไรเขาไว้ค่ ะ, คะ ปล่อยให้เป็นตามบุญตามกรรมตามธรรมชาติไปคะ่ะพระอาจารย์เรามีหน้าที่เลีง้งดูเขาเขาเลี้ยงไปเขาจะรักเราไม่รักเราเรื่องของเขาไปอย่าไปหวังอะไรแล้วก็จะไม่เสียใจค่ะพระอาจารย์ค่ะตั้งแต่ฟังพระอาจารย์นะคะก็คือตั้งแต่วันที่มีปัญหาค่ะคือหนูก็แบบยอมรับตามความจริงตามที่พระอาจารย์บอกอคะ่ะว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดยอมหยุดเย็นเองทุกอย่างมันก็เหมือนกับ มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองอะคะ่ะทั้งที่วันหนึ่งแบบยังไม่ทราบเลยว่าพรุ่งนี้จะอยู่ยังไงหรือว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรเอางานเงินมาจากไหนมันก็เป็นของมันไปเองก็ทําใจยอมรับตามเท่าที่มีแล้วไม่ทราบว่าอะไรจัดสรรก็คือมันก็เป็นไปได้เรื่อยๆะคะ่ะพระอาจารย์แล้วว่ามันก็ทําให้เราไม่ต้องเขาเรียกอะไรคะไม่ต้องไม่ต้องคิดล่วงหน้าให้อยู่กับปัจจุบันนะคะ อือันนี้คือได้คําสอนของพระอาจารย์คือช่วยช่วยไว้มากมากจริงๆเลยค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะอนนะาจาคนมันยังไม่เกิดคิดไปก็เสียเวลาเบาๆค่ะพระอาจารย์ในวันที่แบบไม่ไม่มีใครเลยอยู่คนเดียวในวันที่แบบปัญหามากๆที่สุดอนะค่ะคือคิดแต่ว่าอยู่ปัจจุบันนี้มีเขามีหนูแล้วทุกอย่างมันมันเหมือนมันเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเองเลยหนูหนูก็คิดว่าเออชีวิตมันก็มาหัดสรย์ดีเหมือนกันค่ะพระอาจารย์อ เ ร, เราเรียกว่าธารรมะแจกสรรค่ะพระอาจารย์อยู่ๆก็แบบบริษัทก็ออฟเฟอร์ทุกอย่างมาแบบเอามาอยู่ไทยมีทุกอย่างให้หนูก็แบบโอ้ในเมื่อในวันหนึ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะอยู่ยังไงได้ธรรมะมันก็แจกสรร์ให้จริงๆนะคะอืมก็มันเป็นทั้งบวกทั้งลบนะค่ะ<ป>พระอาจารย์อย่าไปคิดว่ามันจะบวกเป็นบวกเสมอไปบางทีก็เจอเรื่องลบขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ เตรียมใจรับทุกอย่างโลกธรรมโลกธรรมแปดลาภโยศะเสริญสงฆ์มีเจรัยมีเสื่อมเป็นธรรมดาค่ะโชคดีมากๆที่ได้เรียนฝึกกันบ้านจากพระอาจารย์ก่อนล่วงหน้าสองสามปีดีมากเลยครับอาจารย์แล้วก็อำฝึกสมาธิเพื่อจะให้ใจรับกับทุกอย่างได้นะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าค่ะถ้ามีโอเบคาก็จะรับความได้บบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อเรา ค่ะพระอาจารย์ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าก่อนที่หนูจะพบธรรมะถ้าสมมติว่าอยู่ในจุดที่เคยผ่านมาแล้วตรงนั้นคงคงคงคงไม่รู้ว่าจะตังยังจะยืนอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าคะ่ะถ้าไม่พบธรรมะ<ด>ก่อนค่ะพระอาจารย์โชคดีของเราค่ะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นบุญเป็นโชคมหาศารอย่างยิ่งค่ะพระอาจารย์น้นำรับ พยายมตักตัวประโยชน์ให้มากที่สุดตอนนี้เรายังสามารถดักทรงได้ศึกษาปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ส่งเขาให้ถึงฝั่งเท่าที่จะสามารถทําได้แค่นั้นหนูก็ไม่ไม่ได้มีอะไรห่วังอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคดีค่ะกราบยมัชฌะการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ทัดแข็นแข็งแรงนะคะสาธุจ้าอ่าน้องเลนเธอน่องเลนตาเรนได้ยินไหม อาา่าข้าพเจ้าดินแล้วเลิศกาลกาบผ้ากาลกาบผ้ากาลกาบผ้ากาลกาบผืนสวยพระธรรมพระสงฆ์ต่อพระสงฆ์กาบผนสวยครับนี่ะนี่ยไปสุดรอปขอให้นมัทการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าส่งกันบ้านก่อนเลยครับคนเก่งตั้มัะตั้งสามฆวัตโตอลาหะโตสามาสามุตุตั้มัตัส พักสวตสดี阿拉ฮ์ตสัมมาสัปุตสานโมตัสสักพักสวัสดี阿拉ฮ์ตสัมมาสัุทชะสานโมตัสพักสวัสดี阿拉ฮ์ตูสัมมารัปุตสานโมตัสพักสวัสดี阿拉ฮ์ตูสัมมาสัปานตัสพัสวัสดี阿拉ฮ์ตูสัมมาสัปุตชะสานตัส สุนวตสบากังสัต์นามิจิปิสุวอางั้นามาแล้วก็วิชาจรสัมพันสุขตวกวิชูอนุตโลกุิธมชาทิสัตถาเทวมารุษนัพุทธโทผ้าาวิสว่างสวาสวางฮตัวตทสันติโกอกาโก E eh, hibat s i k o opanai kok, baca t a n g e t i tak poinjuh i t i su. Supatipanu, ah. pakawato ha sa. s a a w a sangko. Saawala sangko ucu supatipanu p k a w a t o s a a a l sangko sa kanam. Yaya s u p a t i p a n o Yaya p a t i p a n u pakawato s a a a l sangko sa kanam. มิจามิจิปติปนโนภาาวะตกสวกาวกันสังโคสังขนวาวมิยะทิทังอากาศยะทิถังจัตาลิยะทิจังจัตวาลิผู้ลิ ก, าออาาาลกสายุคนิปุสาปุยะทิถังตวาลิไอ้ไม่ใช่อาหูเลยโย่ อ้าหนูเลี้ยวปาปหนูเลี้ยวทักขินเลยอันชาลีหนูร้านเดียวอนุตตะลังคุณอยากเข็ดตังโลกัสซาลติตับข้าวหมาอนะผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี่อกระดูก ม, ม้ำหัวใจตับพังผืดตับไ ต, ตปอดเสียใหญ่สีน้อยอาหารแม้อาหารเจ้าเยื่อในสมองน้ำดีน้ำเสลน้เหลือน้ำเลือดน้ำเงื่อน น้ำมูกน้ำมันน้ตาน้ ำ, นำมะเร็วน้ำมูกน้ำลายน้ำมูกน้ำไ ข, ข่คอน้ำมูดอ่าเก่งมากเก่งมาก <c oughs> อยู่ที่ไหนหร้วหมอยู่ในตัวหนูของพูดนี้อยู่ที่ไหนหรู้ไหมตัวหนูเลนบอกพนกานสิบอกบองปู่อยู่ไหนหรู้ไหมครับอยู่ในตัวหนูรู้ไหม เออนะเป็นของรู้ทั้งนั้นเลยเนี่ยอ่าหมดแล้วเหรออ่าเราอ่อเรามีความเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรุวงผลความแก่ไปไม่ได้ลรามีคนตายเป็นธรรมดาจะรุ่งพ้นความตายเป็นไม่ได้ลรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรุ่งพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เร้จะต้องผ่านภาพแต่ของของจรูนแต่ทั้งหลายสพวกเรามีการเป็นของตัวตัวเราจะ ต้องละผลขอามีกรรมเป็นเรามีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยเรามีกรรมเรามีกรรเป็นกําเหนื่อเรามีกรรมเป็นเผาที่เรามีกรรมเป็นผาผาเรามีกรรมเป็นที่เพื่อนอาศัยเราจะทํากันน้ําไรไว้ที่ลุ่มชลตองต้าละผลของกรรนั้นเออยี่งมมากคุณส่วนใดที่ข้าพเจ้าจะกระทําและ ข้เจ้าขอเป็นที่ส่วนกแก่มรรดาจุฑาจก็สาทุกข uh ์ก uh ันแล้วแลกวนโลกสามของบรรดาสรางทั้งหลายใหเป็นเพื่อนจกัแกเก็บใจ้นการทั้งหมดใจซิกจอย่ามีเวียนไาอย่ารพยาาเบียดเบ้ยกระลกันเลองได้ผู้ชไม่ข้องถูกของผิดเพ่ราจะัดตาเรืงานาเพื่งจะตนางบริหานันตุต่ขึ้นบวดได้แล้วเนี่ยเก่งเขาเเป็นรถขบวนด่วนเลยค่ะกี่ขวดเนี่ยกี่ขวดห้าขว น่ากลัวเลยฮะจรูปน่กัครับยังอยู่บนุบานใชไหม้ยอยู่ปหนึ่งะาสามครับอนุบาลสามเลยค่ะอนนสาค่ะเก่งมากเก่งมากไปลค่ะรเกเ่งรัการเจ้าค่ะหลวงพ่อขขอบพระคุณเจ้าค่ะรางวัลรักษาท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะจาทุจ้ค่ะอ่าไปที่เจ้แม่กัจจตีต่อลุนเดอะอันนี้ลุนุนลุนแรก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 มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมบันไดไว้เป็นบุหรือเป็นบาเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องแลกผลของกรรมนั้นๆเสดไปต่อทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดอย่าลืมนะครับโอเคแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เนืในกระดูกม้ามหัวใจตับหังผื่นไตปอดเส้ใหญ่เส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนื้ในสมองศีรษะน้ําทีน้ํำเสลน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเงื่อน้ํามันข้นน้ําตาน้ำมะเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ําไส่ข้อน้ํามูดน้ํามูดน้ำไส่ข้อน้ํามูกน้ําลาย น้ำเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเนี้ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉลต์น้ำดียันในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดใต้ผังผืชตับหัวใจม้ามยันในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเอบขนผม มีส่วนไหนเป็นตัวเราบ้างไหมไม่มีครับไม่มีเลยนะครับร่างกายนี้สรุปไม่ใช่ตัวเราเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยดังนั้ก็ปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดมันนะครับโอเคไม่มีอะไรไหมไม่มีแล้วครับโอเคองั้นก็ไปต่อนะครับพระคุณพระอาจารย์ครับอมาที่น้องทิมน้องทิมต่อ เป็นยังไงตอนนี้นั่งข้างละกี่นาทีเอาอย่าสารุปชั่วโมงเลยเอาข้างดีกว่าข้างละกี่นาทีดีกว่ายังไ่ได้เปิดไม่อ่เอาเปิดได้แนละการขับพลาจาไม่ขึ้นครับอ่ายังไงข้างละกี่นาทีดีกว่ามากที่สุดท่านนาทีนี้น้องไย้ะสิเอ็ดนาทีครับเ อ, อ้ยหนชั่วโมงครับกับเจ็นาทีนี่ไม่ขาดในอาทีนที้ ไม่ขาดคาดวันเดียวครับวันเสาร์หยุดค่ะวันเสาร์นี่เป็นวันเล่นเกมเลยมันจะเป็นวันแบบดูการ์ตูนมากกว่ า, าดูการ์ตูนอบอกพระอาจารย์สิว่าน่าสุดเซ็ตไปกี่นาทีแล้วมากสุดได้สิบสองนาทีคะ่ะโอเคพยายามนัก็ให้มาขึ้นเรื่อยๆนะน้อง <c oughs> <c oughs> จะมีความสุขวันนี้เป็นวันเกิดครับอ่านหนังสือเป็นคนดีอ่านหนังสือแกง สุขภาพแข็งแรงโต ว, วันโตคืนแข้งแกร่งปลอดภัยนะขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะที่เมตตาให้พรเจ้าค่ะก็สอนเขาอยู่ตลอดนะคะพระอาจารย์ก็หนูคิดว่าการที่เขาได้ฝึกสมาธิอะคะ่ะมันได้ช่วยเขาในเรื่องเวลาที่เขามีอะไรเข้ามากระทบจิตใจอ่ะคะ่ะเหมือนมีความผิดหวังผิดหวังในอะไรก็ตามแต่ที่เขาต้องเจอะคะ่ะคือแบบ ด้วยความที่เขาจะอารมณ์ร้อนแบบพุ่งขึ้นสูงมากนะคะพระอาจารย์ยหนูนนคิดว่า แ, แบบก็มีที่พึ่งนะเขาก็หนูคือแต่เขาอาจจะยังยังอาจจะยังพิจารณาหรือคิดไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่าหนูคิดว่ามันอ่าน่าจะช่วยอย่างสมมติว่าถ้าเลเวลแบบเต็มร้อยอย่างเงี้ยค่ะคือการที่เขาได้ฝึกสมาธิฝึกสติะคะ่ะมันอาจจะช่วยให้เขาได้ขูดดาวเร็วขึ้นแล้วก็อปล่อยวางได้ได้เร็วขึ้นเลยอะค่ะพระอาจารย์แน่อนอนอดี<า> ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาก็ยังเรียนรู้จากเราได้อยู่ถ้าไม่สอนตอนนี้ต่อไปพอเขาโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็จะยากค่ะค่ะก็ตัวหนูเองก็ได้ไ ด, ไ, ดได้ใช้อะฮะผอารย์เพราะว่ า, อ ย, าอย่างเรื่องอารมณ์หรือว่าเรื่องอะไรที่เข้ามากระทบอะฮะ หนูนึกถึงสิ่งที่ได้ฝึกปฏิบัติตอนตอนที่นั่งนั่งสมาธิเราที่บอกพระอาจารย์ว่าแบบมันมันหนักมากค่ะเพราะว่าเราต้องฝึกสติแบบอย่างมากเลยค่ะ<ม>พอมันมีอะไรเข้ามากระทรบอะค่ะเราได้ใช้ทั้งสมาธิอะค่ะปล่อยวางอุเบกขาแล้วก็จนถึงแบบออกปัญญาเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยคือคือองค์ประกอบคือทุกอย่างใช้ร่วมกันหมดเลยอะค่ะพระอาจารย์<ม>เพื่อที่จะแบบปล่อยวางกับปัญหาหรือความทุกข์ที่เข้ามาค่ะพระอาจารย์ใช่ ใช้สมาธิใช้สติใช้ปัญญาต้องใช้ร่วมกันหมดเลยค่ะอาจารย์ถ้าร่วมกันเันจะแก้ปัญหาได้อย่างราบคาบต้องต้องใช้ร่วมกันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนบูรณาการเลยค่ะถูกต้องเรียว่าภาวนามยะปัญญามีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิกบคกันไปมีทั้งสติ ได้ได้ใช้ค่ะพระอาจารย์ก็ต้องกล่าวเขาว่าคุณธรรมะของพระอาจารย์นี่แหละได้ใช้ได้ที่พระอาจารย์คืออยากจะบอกพระอาจารย์ว่าที่พระอาจารย์สอนสั่งมาค่ะได้เอาไปใช้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเนค่ยจะได้ไม่เสียเวลาที่มานั่งสอนคั้งที่สองย่หอโมงไม่เสียเจ้าค่ะได้ใช่ไม่เข้าูไข้ซ้ายออกูขวานะไม่เจ้าค่ะได้เต็มใจทํางานอ่ะทํางานหนักมากเจ้าค่ะพระอาจารย์นึกถึงคือ ใช้ทุกทุกสิ่งอย่างค่ะที่พระอาจารย์เคยสอนที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดค่ะพระอาจารย์จนแบบคือเหมือนที่หนูบอก ม, มันเหมือนมันเป็นก้อนหินที่หนักมากค่ะมันต้องใช้ทุกอย่างถึงจะมีพลังในการที่จะยกหินที่มันติดอยู่ออกไปอะค่ะพระอาจารย์ดีค่ะถ้าถึงทํานะวไมจัดไม่จักใช้เครื่องมืออันต่อเสืนี่นะก็ <laughs> <laughs> ะเป็นขังขง <laughs> พยายามใช้บ่อยๆอยากใช้อารมณ์ <laughs> ถ้ า, ถา<ม>ใช้นมนแกม้ปัญหาแล้วมันจะยมันจะเพิ่มปัญหาเพิ่มเป็นไาอีกค่ะหนูรู้ตัวว่าเป็นคนมีโทสะจริตนะคะก็นึก<ม>ถึงที่พระอาจารย์เคยสอนว่าให้เจริญเมตตาไว้ะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอมหยุดเย็นนะแพ้เป็ น, นพระชนะเป็นมาค่ะค่าพระอาจารย์กไ็ได้ใช้คะ่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลยคะ่ะพระอาจารย์ดี ค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาเขอพระอาจารย์ทาตข็งแข็งแรงเจ้าค่ะโอเคสาธุอาจารย์พรมพิรายเชิญวันทกูลกลับมาแล้วยังไปท่ายยังไงอยู่แค่อยู่ค่ะรออยู่ค่ะบอกอาทิตย์ที่แล้วพลาดไปกลับนมาพระอาจารย์ครับอาทิตย์ที่แล้วมวยไปก็อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เจอพระอาจารย์วันพุธแต่ได้เห็นหน้าในวัน วันหยุดนะฮะวันเสาร์วันอาทิตย์น่ะเป็นไงไปตีก๊อบมาสองวันที่เขาใหญ่รั้งแรกในตั้งแต่โควิดอะครับตึมดตึ๊ดพอดีแปพวกจับไปฮะมีคนดูแลเขาใหญ่นี่เป็นที่ที่เป็นธรรมชาติเยอะใช่ไหมอากาศเย็นมากอาจารย์สิบเอ็งศาที่ที่วันที่ไปอะนะฮะ ไปเย็นมากเป็นคณะใหญ่มาจากมาจากหลายหลายที่มาจากทั้งเอเอทั้งสวนพึ่งเลยครับโอเคกับผู้สูงวัยทั้งนั้นครับกับกัเรลาก็สูงวัยเลยจะไปเล่นกันเด็กได้ ก็เกือบจะเป็นคนที่เด็กที่สุดที่นั่นะอาเกือบใช่โอเคให้สบายๆคือกระเพาะแข็งแรงนะคร่ะอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะจ้ากรรมนุสการกรรมนุสการอจารย์ครับโอเคคุณสันนี่เมื่อก่อนมาแวบเดียวหายไปเลยไม่ได้พูดจาเลยการนัสการค่ะพระอาจารย์ ไม่กล้าหยุดไม่กล้าหยุดคุยนานค่ ะ, <ฮ>ะเองใจท่านข้างหลังกลั <g rab ble> <g rab ble> แบแวบหนึ่งแล้วก็ไปนั่งฟังคำถามต่อค่ะออคุณแม่ได้นั่งสมาธิด้วยป่ะค่ะคุณแม่ก็ได้นั่งอยู่ค่ะนั่งแต่ว่าแกนั่งกับพื้นไม่ได้ก็เลยให้นั่งเก้าอี้ค่ะพระอาจารย์ได้เหมือนกันอยู่ที่สติไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งค่ะค่ะเดี๋ยวนี้แม่ก็พยายาม เขาบอกว่าเขาก็พยายามพุดโธเรื่อยๆเวลาว่างอะไรเงี้ยค่ะอก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์เลยนะคะแบบที่ทําให้คุณแม่มามาทางนี้ได้ด้วยดีทางนี้ทางที่แล้ว<น> ท, ที่ประเสริฐที่สุดรับประกันได้ไม่ผิดหวังถ้าเข้าถึงธรรมที่พระเจ้าได้ให้ได้เข้าถึงเนี้ยถ้าเข้าแล้จะประทับใจลดถึ <S <S งธรรมชนะรดทั้งปวง แต่ว่าชวนขึ้นเขายังไม่ไปนะพ่องานไม่บตก็มาให้ได้ก่อนนะความเทีนนั่งสมาธิให้ได้ก่อนอาจารย์เปนขั้นระดับมูดโปรเป็แม่กลัวผีค่ะพระอาจารย์เผาเผาแต่ว่าอยู่ข้างๆเขาไม่กล้าเข้าซูงค่ะกลัวพระอาจารย์ถามเรื่องโทร แต่วอาจารย์ก็ตอนนี้ก็ <Okay. S 2> ทองก็มีขึ้นมีลงเหมือนเดิมค่ะก็ธรรมชาติของมันก็เป็นอย่างนี้นะ <Okay. S 1> โลกธรรมพระเจ้าสอนว่ายศสันลักษณ์สุข <c oughs> ถ้าจะเล่นของมันก็ต้องเตรียมตัวเตร็มใจรับกว่าเวลามันลงมันไม่มีอะไรขึ้นไปอย่างเดียวใช <c oughs> ่ไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีคําถามอื่นค่ะพระอาจารย์โอเคปฏิบัติต่อไป เอามาอยู่ที่ความสงบนะสงบได้<ช>สติงสงบด้วยปัญญาถ้าเราสงบ<ช>แล้ ว, ลวเราจะไม่วุ่นวายาไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดที่มากระทบกับเราปล่อยให้มันเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ปฏิบัติทุกวันค่ะพระอาจารย์แต่เราห้ามใจเราได้ห้ามใจให้เราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจวุ่นวายไปกับมันนะรักษาเมงคาไว้ค่ะพระอาจารย์ ขอบคุณแม่แ a g e จะอ่าคุณหนึองต้องเนืเองเรียนจบเมื่อไห ก, การนวัตการค่ะเรียนจบแล้วค่ะก็เลยมาเข้าสู่วันนี้ค่ะอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใช้ความรู้นี่เมื่อไหร่จะไปเป็นไกล้เมื่อไหร่เอ่อนั่นน่สิค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปใช้เมื่อไหร่แต่ว่า จะไปอยู่อินเดียก่อนค่ะแล้วก็ถ้าลองถ้าไปอยู่แล้วแต่อึนตั้งใจว่าเอึงจะเป็นไกด์แบบว่าจะอินเดียค่ะก็เดี๋ยวจะลองดูบริษัทที่เขาพาลูกทัวร์มาที่อินเดียโดยเฉพาะค่ะแล้วอาจจะลองยื่นไปฝึกงานนะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะเป็นขนาดนั้นนะคะอาจารย์ไปอยู่อินเดียทําอะไรอ ย, อ, ยอยู่ที่ว้านเนี่ เออ ท, ท, ที่ไม่รู้สองอาทิตย์ที่แล้วบอกกาเตรียมพระอาจารย์ว่าเออจะไปเดินเท้ากับพระค่ะเดินทูด ง, ส, งสี่สังเว ย, เย<ช>นยคะสี่สังเวยเลยเดินท้าเปล่าด้วยเออเออเอเอน่าจะไม่เท้าเปล่าค่ะแต่ว่าก็เป็นการเดินกับพระค่ะจะไม่นั่งรถจะไม่นั่งรถไม่นั่งรถค่ ะ, คะแล้วมันมีที่ข้างแรนพอดีพอดีใช่ปะ เออก็เห็นพระอาจารย์ต่างๆบอกว่าแบบปีก่อนๆนะค่ะก็จะนอนที่วัดบ้างนอนตามป่าบ้างนอนโรงเรียนบ้างนยค่ะแต่ก็จะมีเต็นต์ขนแบกเต็นต์ไปค่ะแบกเตนไปด้วยเราแบกกันเองไม่ว่ามีลูกค้าแบกเองแบกเองค่ะอ้ยก็เหน่อยหน้าด้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตเอยจะเป็นยังไงเหมือนกันค่ะก็เดินทั้งหมดสองเดือนค่ะพระอาจารย์อืมเอ้ามาอีก่ที่ตงไหนต้องการอะไร แต่การเดินเนี่ยคือถ้าเป็นในโครงการนะเหมือนแบบว่าคือมันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งอะคะ่ะที่แบบว่าให้รู้ว่าแบบพระพุทธเจ้าตอนที่เดินอะ่ะท่านไปโปรดคนเนี่ยมันแบบลําบากแล้วก็จะมีการแบบไปอยู่ในจุดที่ที่ปรินิพานที่ตัศรูที่เทศนานะคะ่ะแล้วก็จะมีการเทศสอนพระในแต่ละที่แล้วเหมือนแบบอยู่ในที่จริงอ่ะคะ่ะมันอาจจะแบบเกิด ความเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอิงก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าตัวเอิงอะค่ะเอิงรู้สึกว่าในในฐานะที่จบโบราณดีด้วยเงี้ยก็เราก็อยากไปดูในที่นั้นด้วยแล้วก็ในฐานะที่เราศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสได้ไปดินแดนที่นั่นก็เลยอยากไปค่ะอืมก็อย่างไั้นไปรจับเงาก่อนเนี่ยนี่เป็นเงาแ <c oughs> ั้นวหรือเปล่าตัวเนื้อเนื้กับแม่เอา <c oughs> จริงๆก็เอนื้อนะคะพระอา้าย์แต่ว่าเออมีโอกาสได้ไปก็เลยไปค่ะแต่จริงๆก็เข้าใจที่พระอาจารย์สอนมาตลอดค่ะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่กายที่ใจเราค่ะเออมันอยู่ในใจเราเนี่ยและอันนี้เออเข้าใจโอ้พระนได้ี้โกใหกมันเข้ามาในใจเราะต่นนี่ไปไปตามเงาย้อนอดีตใช่ค่ะ ก็เลยก็เลยก็เลยจะได้ไปค่ะแต่ว่าวันนี้มีสามประเด็นที่จะมาถามคุยกับพระอาจารย์ค่ะประเด็นแรกคืออันนี้เป็นคำถามค่ะว่าเออที่เราแบบพิจารณาความแก่ค่ะซึ่งเองก็พิจารณานะคะว่าแบบสุดท้ายอะ่ะคนเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะแต่ว่าเอาองอ่ะยังไม่ได้แก่จนกระทั่งแบบสั่งขานมาลำบากขนาดนั้นอะ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแบบ ตอนที่เราแก่จริงเราจะเข้าใจมันจริงๆหรือว่ า, าเราอาจจะ<อ>ไม่อยู่ถ<อ>ึงแก่ก็ได้ไปบ้านพักคนชราเลยไปช่วยคนไปทำบุญที่บ้านพักคนชรานึงคนไปเป็นฆราศาสะ ส, ะสมัครก็ได้อยู่ที่นั่นทั้งวันสองวันไปเช้าเย็นกลับก็ได้ได้ดูสภาพของการกินอยู่การว่ามันสะดวกสบายหรือทุกอย่างลาบากเนี่ยบางคนกคยกขึ้นมนเดินก็ไม่ไหวนั่งก็ไม่ไหวจะนอวันอย่างเดียวอ นี่แหละมันต้องเห็นของจริงงั้นทําไมสถานพระคนชราถ้าอยากจะเห็นคนชราถ้าอยากจะเห็นศพก็ไปป่าชา้าไม่ไปวัดที่เขาไ<ป>ม่เมนไม่ไปดูงานศพนะฮะแล้วถ้เจ็บไครก็ไปโรงพยาบาล อ, อือคืออภอาจารย์น้ำาไว้ก็ไปให้เห็นจริงๆใช่ไหมคะอ่าก็ต้องเห็นจริงๆอตอนนี้มันไม่เห็นเนี่ยมันมเป็นแบบทฤษฎีไม่เห็นเล <laughs> เห็นเหเห็นค่ะเห็นอยู่กับคุณยายอายุเก้าสิบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเอิงแค่มันก็เป็นคนอื่นน่ะแต่ว่าหมายถึงเติงก็น้องพขามาใส่เอิงนะคะแต่หมายถึงแล้วแลวถ้าตอนที่เราเจอจริ ง, รงๆล่ะเราจะแน่ใจได้ยังไงหรือว่าเราต้องเจอเองถึงจะรู้ก็นี่หละก็ไปดูของจริงอย่าไปดูคนเดียวเนี่ยมันคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนยังแข็งแรงก็มีดูคนที่ไม่แข็งแรงดูคนที่ต้องนอนนอนติดเตียงเนื้ ต้องเดินด้วยวอเกอร์หรอนั่งด้วยวิวแชร์อะไรเงี้ยจินตนาการว่าต่อไปแเราก็ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันก็ต้อเอาเอาความความรู้สึกของเขามาใส่ใจเราบ้างบางทีเราก็รู้สึกว่าอ๋อเป็นอย่างไรอย่าไปดูเฉยๆ ด, ดูแบบไม่มีไม่มีความอินกับมันอนะต้องดูว่าอินกับมันอะ โอเคค่ะได้ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะก็เมื่อประมาณสองปีที่แล้วค่ะเอออ่ะแบบเพิ่งเคยได้ปฏิบัติทำครั้งแรกแบบว่าที่ไปอยู่วิเว้ค่ะแล้วก็ปีนี้ก็จะไปปีที่แล้วพระอาจารย์่ะได้อวยพรเองว่าขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเออก็ไม่ได้รู้หรอกคะ่ะว่าเห็นธรรมหรือเปล่าแต่ว่าได้เข้าใจอะไรบางอย่างจากการปฏิบัติวิเว้ปีนี้ก็เลยจะไปอีกก่อนไปอินเดียค่ะก็เลยจะมากล่าวบอกพระอาจาร์ โอเคหมดแล้วหรอยังแล้วก็ยังมีเวลาใช่ไหมคะ mm hmm. และ้วก็อีกอันหนึ่งคะ่ะในในแบบว่าหลังจากนี้เอองก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามาในซูม น, นะคะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากขอบคุณพระอาจารย์ค่ะที่แบบเอมีคนถามเอองว่าทําไมแบบเอองถึงศรัทธาพระเจ้าสุ ช, ชายขนาดนี้แล้ววันนี้เอองก็ได้ตอบคําถามเขาเอองก็เลยระลึกถึงพระอาจารย์เขาว่าแบบพระอาจารย์เป็นพระองค์แรกที่ทําให้เด็กวัยรุ่นเลยอ่ะคะ่ะที่ไม่ได้สนใจในนี้แบบได้รู้จักพระที่ปฏิบัติ ตามแนวของพระพุทธเจ้าได้ได้เป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะเออก็เลยอยาก่าขอบคุณพระอาจารย์ในปีนี้อีกปีหนึ่งค่ะโอเคไม่ต้องขอบคุณหรอกขอ้ปฏิบัติบูบบชาก็พอได้ค่ะพระอาจารย์ประมาณนี้ค่ะมีสามสาประเด็นครบแล้วค่ะโอเคถ้าไม่ถามไม่เลยอาหนห่อบ้างนะพระอาจารย์ <laughs> มีตัวจริงอยู่ถามตัวจริงดีกว่า อ่าเอไออาจจะรู้มุ่นรู้มากกว่าก็ได้เอไอมีข้อมูลเยอะกว่าอาจจะเอาคำตอบของครูบาอาจารย์หลายหลายรื่นมาผสมประสรานกันก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวถามทั้งสองก็ได้ค่ะอืจะได้เปรียบเทียบดูค่ะพระอาจารย์เอองขอบคุณมากเลยค่ะเอองก็จะปฏิบัติบตูชาค่ะพระอาจารย์เอ่ขออย่าทิ้งก็แล้วกันเนี่ยเของดีแล้วอย่าทิง้งอย่าเป็นไก่ได้พล อ, อยนอกจาไก่ได้พล อ, อยนยะ ไก่ได้พลอยไก่มันทำมาหากินมันก็หาแต่ตัวตัวนอนตัวไส้เดือนใช่ไหมคุยเขียดคุยเขียห์ตัวนอนตัวไส้เดือนพอไปเจอแม็มเมล็ดพลอยเข้ามันก็เขียดทิ้งเขียดทิ้ง ก, กินไม่ได้เพราะแ ม, ม่รู้คุณค่าของเม็ดเมล็ดพลอยว่า ม, ม, มีคุณค่าขนาดไหนถ้ามันฉลาดขนาดนั้นเอาไปขายได้แลกตัวหนอนได้เป็นเดือนเป็นปีเลยอืม เวลาเจอธรรมะแล้วนะธรรมะนี่เหมือนเพชรพลอยพระรัตน์ไตเนี่ยมัตน์ก็คือเพชรพลอยของที่มีคุณค่าแต่เพราะเรากลี่ยทิ้งเกี่ยทิ้งกลับไปหาลาบยศสารเสริญสุขกันเนี่ยนั่นคือตัวนอนของพวกเราเนี่ยลาบยศสารเสิญสุขเนี่ยทามาหาเกลียหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงเกลีอืดแต่ความสุขกันนั่นมาเสีจาก เพชรพล อ, อยของธรรมมากของพระเจ้าเนี่ยไม่เอาเลยใช่ไหมขออาจารย์นะอย่าเป็นก็อย่าเป็นไกลได้พล อ, อยนะนเห็นคุณค่าข อ, ของพระธรรมรถแห่งธรรมชนะลดแห่งนะปวงขอพระอาจารย์พายาศึกษาคุณธรรมบทธรรมคุณบทของธรรมคุณสวกากาโตพรวัตาธรมโมธรรมนิสตัดไม่ชาวแล้ว อันทตติโกสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองอาการเยโกไม่เสื่อมไปกับการเวลาเ อ, องไปศึกษาคุณสมบัติธรรมคุณจะได้เห็นคุณค่าของพระธรรมประเสริฐของพูดเจ้างานจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นท้งครั้งนะศาสนาพุทธเนี้ยหลังจากห้า0ันปีเวลาก็อาจจะไม่มีเหลืออยู่แล้วในโลกนี้ แก็ดูตอนนี้คนไทยเป็นชาวพุทธเนี่ยมีกี่คนที่เข้ามาศึกษาจริงๆฮะถามอาจารย์ฝ อ, อาจารย์พูดถึงนี่เอิมเพิ่งถามเอไอเรื่องยุคเสื่อมกลียุคเองค่ะใช่มันมม น, นิ่งเสื่อมไปเรยตอนแรกก็เสืออ่อมจากภาวนานก่อนภาว น, น, ง น, า, นงททางก็จะน้อยลงต่อไปก็ทํานักษาศีลก็จะได้อยลงต่อไปก็ทำบุญทำทานก็จะได้อยลง เออเราให้ฟังว่าแบบว่าพระคนบรรลุธรรมก็จะไม่มีค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบคนดีก็ไม่รู้ดีเราไปยังไงต่ออะไรแนี้ค่ะมันมืดมากจริงๆใจการเป็นงตรียุกยุคของที่คนค่าันการเป็ น, ป น, น, น, นผักเป็นปลาอาเาอาแต mm hmm. ่ประโยชน์เห็นแต่ประโยชน์ เนี่ยตอนนี้กำลังหาเสียงกันหาอะไรเนี่ยทำจริงอ่ะหาธรรมะหรือหาอะไรหาความยั่เสือเสิอสุขใช่ไหมหาทางจ้างนั่นแหละจิตใจห่างเหินอากศาสนาคนที่อยู่ถ้าคนที่เข้าถึงศาสนาแล้วจะไม่ไปหาของเหล่านีนน้คนที่เห็นรถเห็นคุณค่าของ เพชรอยแล้วจะไม่ไปหาตัวนอานมากินนะ่ะพระาจารย์โอเคพูดเป็นคาเตะให้ฟังไม่ได้ว่าใครนะพูดเปลี่ยเที่ค่ะพาจารขอบคุณมากเลยค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ของเอออีกชิ้นหนึ่งตัวใครตัวมันใครอยจะทําทอะไรก็ทําไปต้องเป็นผู้รับผลของากายการทําของตนเองต่อไปอค่ะพอาจารขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณสาธกาต่อสาธกาใช่าะวันนี้เอาเพชรพอยแล้วเอาตัวนนท์ดีเพชรพอยค่ะบาอาจารย์ค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะบาอาจารย์สังสีมภาวนาค่ะปฏิบัติจุดสุดท้ายค่ะค่ะเอาให้ได้เพชรดั่งหนึ่งเลยนะค่ะอ่าโอเคค่ะคุณนิสาต่อ วันนี้สารได้ยินไหมคะค่ะได้ยินค่ะกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์เข้ามาเช็คชื่อค่ะพระอาจารย์มาร่วมมาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวทิ้กันเลยไม่ไม่ทิ้งค่ะต้องเข้ามาฟังพระอาจารย์ค่ะไม่งั้นกิเลสมันจะดึงไปเยอะค่ะพระอาจารย์แรงนตอนนี้กระแสกระแสของกิเลสมันแรงนะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันพาไปค่ะพระอาจารย์ อันนี้ความเจริญทางวัตถุมันเยอะค่ะมีของอหลอกใจหลอกใจดึงใจให้ไปหลงติดกับตัว น, อน้อยโดยเทเดือนค่ะที่เขาบอกว่าอความเจริญมาพร้อมกับความเสื่อมใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เจริญทางกายจเจริญทางโลกธรรมแต่เสื่อมทางทางจิตใจค่ะมันมันจะเป็นเรื่องจริงเลยคะ่ะพระ อ, อ, อาจารย์เพรยิ่งอยากจะได้เท่าไรมันก็ยิ่งทําให้ เกิดความหวงเกิดความตันนีเกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คขอมหาศาลสีเมตตากรุณาโมริตาบิค่ะค่ะก็ยังปฏิบัติค่ะอาจารย์ทําให้มากที่สุดค่ะเอพยายามรักษาระดับปฏิบัติไว้อย่าให้มันเสื่อมอย่าให้มันถดถอย ค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีแบบยังไม่มีเวลานั่งสมาธิเหมือนแต่ก่อนได้มากขนาดนั้นก็ตอนนี้ก็ให้แบบหยุดกับสติอ่ะค่ะพระอาจารย์เอค่ะพุดโธพุดโธไปหรือไม่ก็ให้แบบว่ารู้อากาศกิริยาของเราแต่ละอย่างก้าเนี่ยค่ะพระอาจารย์<อ>ไม่ให้ไปคิดบกวนไม่ให้ฟู้งซ่างค่ะพระอาจารย์เออให้สักแต่วันหนึ่งนะค่ะพรอาจารย์ยอมหยุดเย็นค่ะตอนเนี้ค่ะพระอาจารย์โอเคใช่ได้ ค่ะน้อมนำปฏิบัติค่ะปฏิบัติบูชาค่ะพรอะอาจารย์ท่าทางแข็งแรงนะคะสาธาลาุลูกตาลต่อลูกตาลคุณแม่มาด้วยเปล่าคุณแม่ก็อยู่นะอะยังไงคุณแม่นมัสการขอบพระอาจารย์อ๋อหนูไปอยู่บนเขามาเมื่อวันที่สี่ถึงวันที่แปดนะคะอ๋ะอไปยังไงดีไหมไประชทแบบนี้มาไปชทดีดค่ะพระอาจารย์มันก็เหมือนอากาศมันก็จะกิจคนณระแบบกับตอนหน้าฝนนะคะ อืมันจะกายก็จะคนละแบบกันก็ดีดีค่ะแล้วก็เวลาบทมันจะได้ขึ้นมามันก็ง่ายๆอะค่ะพระอาจารย์แต่บทมันจะยากมันก็ยากค่ะเออไม่แน่นอนไม่แน่นอนสติเรายังคลี่คลึงลงลงอยู่ค่ะนบางทีแบบบทจะง่ายก็ง่ายสุจๆแบบโอ้โหแล้ว ก, แวก็แล้วก็สวดแออสวดบทกยานุ ส, น ส, นสติอะค่ะเพื่อตือนสติอืมสติตัวเองด้วยค่ะ ดีพยายามเจลัญสติให้มากมาเพราะผลจะเกิดจากสตินี้เป็นหลักนะค่ะแต่สติเนี่<ก>หนูก็ได้ผลดหีหนูก็รู้ตัวว่ามันจะไอไงั้นหนูก็จะเตรียมยาแก้ไอไปด้วยอะค่ะก่อนก่อนจะนั่งสมาธิก็จะพ่นคอไว้ก่อนเลยค่ะเพื่ อ, อป้องกันนี่ช่วยได้นะช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็มีมีเรือนเรือนสีอ่ะค่ะ เป็นชาวต่างชาติมาอยู่เขาไอมากเลยค่ะพ่อจางนีเอาไปให้เขาเลยก็พอดีก่อนจะขึ้นไปอหนูก็บอกลูกตาลนะว่าให้ซื้อยาแก้คุณคอแก้ไอให้ให้เสร็จไปด้วยลูกตาลก็าจซื้อมาเขาซื้อมาสองขวดอินโดนีเซียใช่ไหมอินโดนีเซียค่ะลูกตาลก็ซื้อมาสองขวดหนูบอกมันทำไมตั้งสองขวดไม่ใช้คนเดียวเขาบอกมันขวรมาเล็กแม่เอาไปเถอะหนูก็เตรียมไปสองขวดแล้วเขาไอมากหนูก็เติ เดินจงกรมไปได้คุยเขาเขาก็แบบเขาไม่เข้าใจที่เราพูดอะค่ะหนูก็เลยรู้ว่าเขาไม่ใช่คนไทยนี่หนูก็รอว่าเด็ดเดยวถ้าออกไปเดินจงกรมไปได้ศบตายจังหวะศพตากันหนูก็จะให้ยาเขาอะค่ะอืมได้ค่ะก็ได้ให้เขาไปอะค่ะเออเข็บอกเขาจะไม่เขาจะไม่กินข้าวเลยตลอดตลอดระยลเวลาที่เขาอยู่บนเขาเนี่ยจะอดอ๋อ อันนั้นี่หนูก็ไม่ทราบพบรู้ทราบรต่ว่าเขาไอไอมากเพราะว่าตอนกลางคืนประมาณนี้ยอากาศมันจะเย็นมากแล้วเขาออกมานั่งนอกกเรือนนะคะอืมอากาศจะเย็นมากเลยค่ะก็ะจะมีผลต่อการไอไอจนแบบไอแบบนั้นนั่งไม่ได้แล้วค่ะพระอาจารย์อืมใช่มันไอมากค่ะแล้วเขาก็พูดเขาก็บอกว่าอีกวันนึ่งเจอกันเขาก็บอกว่ากูดกูดอย่างเงี้ยค่ะคือคือโทรศัพท์หนูก็ไม่มีคลื่นเลยหนูก็ไม่รู้จะคุย จะจะคุยกับเขาจะแปลอะไกันเพราะว่านั้นโทรศัพท์หนูก็มีปัญหาค่ะอรับสัญญาอะไรไม่ได้เลยไม่คุยกันได้ดีแล้วก็ส่งยาให้ดีวันพวกเออก็ได้ยินเสียงไอมาลดลงค่ะอืมได้ยินเสียงไอมาลดลงเป็นยาพ่นเป็นยาเป็นยาพ่นคอค่ะเป็นสเตเปพ่นคาเมีโนซานค่ะอาจารยโอเคเด็กก็ดีใจว่าได้ช่วยเขาค่ะอืเมตตาช่วยกัน แต่ว่าจะไปงวดนี้มีม uh <Okay. ีอยู่กันเกือบครบเรือนนะคะเรือนเรือนเล็กนะคะอ๋อแต่หมดเลยนะค่ะเรือนเล็กครบขนาดหนูเอยังต้องเลื่อนวันเลยค่ะอตอนตอนจองไปเรือนเต็มแล้วก็ต้องขยับวันออกมาค่ะใช่เรือนเล็กมากกว่เรือนใหญ่นะเวลาเราแตะเขาจะกําหนดให้เขาเข้าหนูขึ้นไม่ไหวอะค่ะมันเรือนใหญ่มันสูงขึ้นนะ ถ้าแต่เลือนใหญ่มันเดินจงกรมดีนะคะพระอาจารย์พื้นที่มันพอดีในการเดินจงกรมดดดโดยเฉพาะเลือนแปดนะคะด้านข้างอาจจะดีค่ะแต่แต่เข้าหนูสู้ไม่ไหวอะค่ะอื ม, มีปัญหาเข่าเสื่อมเคยไปอยู่มาแล้วเลยเคยอยู่เลือนเลือนแปดค่ะตอนที่ที่บอกมันยังไม่ได้บอกว่ามีปัญหาเรื่องข่าเสื่อมอะคะอ่ะก็ต้องดูสภาพของร่างกายด้วยนะอย่าไปฝืนมัน เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาไปพยาบาลไปก่อนค่ะหนูก็เตรียมเตรียมยาไว้เผื่อเจ็บเจ็บป่วยเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยเตรียม ไ, ไว้ว่าเรามีโรคอะไรประจําตัวก็เตรียมไปเพื่อใช้เท่าที่จำเป็นนะคะอืมโอเคสู้ต่อไปนะโอ้สู้ค่ะพระอาจารย์เวลามันเหลือน้อยแล้วค่ะใช่เวลาเวลาเหลือน้อยแล้วก็สภาพอากาศสภาพต่างๆข้างล่างนี่มันก็แย่มากเลยด้วยค่ะอืม ฝุ่นละอองเยอะมากเลยค่ะอย่างแถวบ้านหนูนี่ฝุ่นมองไปกลางคืนนี่ยังก็หมอกลงอะค่ะโอ้เยอะมากเยอะมากเลยค่ะังจากเดิมที่เคยอยู่กันแบบอากาศดีๆธรรมชาติดีๆไม่มีแล้วกลายเปนรถกลายเปนฝุ่นควันพิษออกมาค่ะแล้วระหว่างทางนี่ขับรถไปวัดยานนีนะคะข้างทางก็มีแต่ไฟไหม้ตลอดทางเลยค่ะเอาเงินนะเอายาเอาอะไรกัน ไปไหม่ข้างทางเห็นเห็นร่องรอยเลยค่ะเป็นที่เป็นวิบากของพวกเราแล้วกันก็ก็กลัวนะคะพระอาจารย์ถ้าเกิดถ้าเกิดมนต้องมาเกิดแล้วมันแย่ยิ่งกว่านี้เราก็คงจะอยู่ลำบากกว่านี้อีกเยอะค่ะก็ช่วงไหนที่มันทำทาไม่ได้ฟุ้งมากๆอ่ะหนูก็ถอยนะคะวันนี้ก็คิดว่าสู้กันเอาเอาไงมาสู้กันนึกในใจนะคะ แต่พอมันไม่ได้จริงๆหนูก็ถอยถอยมาแล้หนูก็มาอ่านหนังสือห น, งอนังสือธรรมะแล้วก็สวดมนต์นะคะใช่สลับกันไป<ช>อ่านหนือธรรมะก็จะได้อุบายวิธีการปฏิบัติเสริมกําลังศรัทธาให้มั่นมัน่นคงค่ะแล้วก็มาสวดกายานุสติที่พระอาจารย์บอกให้ให้ดูแค่หมวดกายก่อนนะคะเออมันก็ จ, จะเป็นจงังเข<อ> <ๆ S 1> ้ใจไหมสวดแล้วเข้าใจไหเป็นภาษาไทยไหมภาษาไทยคะ่ะ เ, <อ>เล่ม เ, เล่มอะไรนะคะเป็นเป็นจางครับ เป็อนอาจารย์ข้าพูดค่ะเป็นอาจารย์ข้าพูดดูดูจากเล่ม น, นั้นนะคะอ ม, มันก็จะเข้าใจพอพอพอสวสดไปเนี่ยก็บ่อยๆเขาก็จะเข้าใจเลย ว, ว่าโอ้โหมันต้องละเอียดจริงๆนะคะพระอาจารย์อืมละเอียดกับ อ, อิริยาบถย่อยต่างๆด้วยอะคะ่ะตั้งแต่ทุกขนาดตั้งแต่เตือนมาเลยใานข่งหลับลให้มีสติจด จ, อดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลา ทถ้าทำได้แล้วจะมีสติดีนั่งสมาธิจริงก็จะสงบง่ายค่ะโอเคขอให้ทำไปอย่าท้อแล้วนะต้องใจเย็นๆไม่ไม่ท้อครับอาจารย์มันไม่ใช่ทำปุ๊บจะได้ปั๊บเหมือนปล่อยใครนะแต่แต่หนูก็แต่หนูก็ดูวันเวลานะคะที่ไปพบอาจารย์มาถึงวันที่สามปีแล้วนะคะมันไอ้ความก้าวหน้า่ละก้าวหน้าไม่ละไอ้ความก้าวหน้าก็คือตรงที่เราเรารู้จัก รู้จักอใน เ, นเ อ, อจิตที่เข้าไปในสมาธิได้เงี้ยค่ะแม้แต่เล็กๆน้อยๆมันก็มันยังก็รู้จักว่าแต่เดิมไม่เคยรู้จักแลก้วรู้จักอุเบกขาพอได้ตรงเนี้ยหนูจะไม่กลัวตายก็ไม่ห่วงสมบัติออไม่ไม่สนใจไม่สนใจเงินทองที่จะมีถ้ามันได้ตรงนี้นะคะสแต่ถ้ า, าค่ะแต่ถ้ามันถอยออกมาหย่อนออกมามากมันมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะก็จะถอยไปเรื่อยๆ ใช่มันแต่มันจะรู้ตัวว่าค่าว่า้นี่เราจักเริ่มเสื่อมแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะ<ช>แล้วก็แล้วก็ความรู้สึกความเย็นของจิตหรือความมั น, ม, นมันสบายมันน้อยลงไปมันเริ่มรุนร้อนขึ้นมา ค, ค่ะหนูรู้สึกว่าไอ้ไอ้ความไอ้ความที่แตกต่างคือทางด้านจิตใจคือเราไม่อยากเราไม่อยากสมาคมกับคนเยอะเราอยู่อยากอยู่เงีเยบเงีบเพื่น เพื่นั่งสมาธิอยากอยู่กับความเย็นของจิตยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถูกต้องถูกต้องนะรับพระพเจ้าบอกว่านั่งปฏิบัติอยาคลุกคลีกันเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างทางหน้าที่ของตน <Yeah. S 1> ค่ะคลุกคลีเฉพาะเท่าที่จําเป็นเช่นถะ้าต้องมาทำอะไรร่วมกันก็ทำแอ่ yeah. ถ้าไม่มีกิจกรรมต้องทำัำก็แยกกันไปอยู่แต่แต่มันเหมือนเหมือนบางทีมันก็ มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราค่อยๆ ค, ค, คัดคนออกไปเรื่อยเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ถูกต้องแล้วก็คนดีคนไม่ดีก็อย่าไปคบหรือว่าเรา ค, คนจลาคนไม่เจลาก็อย่าไปคบค่ะ อ, อย่างอย่างวางทีใครมาหาที่บ้านเนี้ยท่านถ้าไม่ได้นัดไว้ก่อนนะลูกตายเขก็จะปฏิเสธไปเลยะคะ่ะเออดีกเขาจะปฏิเสธไปเลยว่าไม่ไม่เขาหนูรู้สึกว่าบางทีมันคุยแล้ว เรามานั่งสมาธินะมันมันต้องมานั่งมันฟุ้งมันฟุ้งมันฟุ้งมันต้องมาเอาออกนี่ะอืมต้องเคลียร์มันก็อนยาวก่อนจะเคเสร็จก็หมดแรงวันนี้หมดเวลาวันนี้ใช่ค่ะอาจารย์หนูจะไม่ค่อยให้รับสารภายนอกค่ะยิ่งถ้าแบบคนไม่ได้สนิทอย่างเงี้ยเขามาเขาก็จะมาเล่าเรื่องที่แบบความทุกความถูกให้หนูก็จะไม่ให้รับเลยก็คือไม่ให้พบเลยค่ะเอเคนะอะไรมาสาธุ ปฏิบัติต่อไปปฏิบัติต่อซูไม่ถอยก็เป้าหมายโสดาบันนะครัอาจารย์อ่าเจ็ดบนเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้แน่ๆะโอเคสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณคะอ่าไม่ไงคุณแดนได้หรือยังไม่มีคำถามเลยแสดงว่าได้แล้วนี่ยน้ำก่อนนะสกก่านค่ะอาจารย์ เราฝึกฝนค่ะเรียนดูค่ะปล่ยวางให้ได้ปล่ยวางร่างกายให้ได้อันนี้ไม่ห่วงเลยค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแก่เจ็บตายต้องไม่ไม่ไม่ทุกข์กับมันนะจ้าค่ะแล้วเราไปปฏิบัติจ้าค่ะคุณแปมต่อแปมหายจากโลกแล้วเหรอเมื่อก่อนมันเป็นเป็นเป็นมะเร็งไม่ใช่เหรอพระอาจารย์ลูก ลูกไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็งเจ้าค่ะลูกเอ่อไปได้ได้บอกพ่อจาร์ว่าลูกเป็นนิ่วในถุงน้ําดีแล้วไปจาจำไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วเจ้าค่ะลูกลูกก็เคยได้ยินพ่อจารย์พูดแล้วลูกก็ไม่ได้แยกเข้าใจผิดเข้าเข้าใจผิดไม่ได้แต่ก็ก็ทําใจไว้เหมือนกันเจ้าค่ะแล้วเพิ่งเพิ่งไปพบหมอเมื่อวันที่แปดเอ่อหมอที่เข้าทีทีสแกนเจ้ค่ะเอ่อ หมอบอกว่ามันเป็นมีน้ําในในช่องท้องเจ้าค่ะที่ที่ที่ที่ทำให้ปวดท้องเจ้าค่ะอ mm ื hmm. ก็ก็เลยถามหมอว่าเป็นมะเร็งไหมเจ้าค่ะอา่อาหมอบอกว่าไม่ไม่เป็นเจ้าเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเป็นจะเป็นเนื้อแต่นี้เป็นน้ําไม่เป็นเจ้าค่ะ mm hmm. แต่ก็มีอาการปวดท้องอยู่บ่อยๆน่าจะเป็นสาเหตุสาเหตุนี้ที่เวลาลูกท้องว่างแล้วแล้วจะมีท้องเสีย อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าโดยปกติก็ท้องเสียอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าท้องว่างเือสิ้นแปดเหมือนที่เคยบอกอาจารย์เจ้าค่ะก็จะจะจอา ก, การเยอะกว่าปกติตเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก็แล้วกันนะอันนี้เป็นเหมือนสัญญาณมาค่อยแบบไฟเหลืองมาบอกเราว่อยอยาไฟแดงจะขึ้นแล้วนะตอนนี้เจ้าค่ะ <laughs> ลูกก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเจ้าค่ะลูกก็ไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้กลัว อ, อะไร อย่างอย่างช่วงหลายวันมานี้ก็ตอนที่ว่าไปหาหมอแล้วก็มีปวดท้องมีไรลูกก็ไม่ได้หายาทานลูกก็อยู่กับมันไปทําใจอยู่กับมันไปอืเป็นเป็นหวัดลูกก็ไม่ทานยาเจ้าค่ะดีเฉยๆไปอันไหนมันหายหเองได้ก็ปล่อยมันหายหเองดีกว่าคด็กดีรักษาใจไว้ให้ดีก็แล้วกันถ้าใ จ, จ<ะ>ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่เป็นไรร่างกายจะเจ็บบ้างปวดบ้างก็พอทนพอทนได้พออยู่ได้ เจ้าค่ะดีแต่ว่ามีอะไรบนะ้รางปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติของลูกก็ไม่ค่อยได้เจ้าค่ะช่วงนี้งานเยอะเหก็เพิ่งจะส่งหลานกลับบ้านก็เริ่มจะมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วค่ะช่วงนี้ดีก็มีฟังธรรมพระอาจารย์แล้วก็ อ, อิทีพีโสระหว่างวันบ้างเจ้าค่ะแต่ว่ายังไม่ยังไม่มากเท่าไหร่ ยังไม่ไมยังพยายามส่วนบ่อยๆเจ้าค่ะยังไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เจ้าค่ะอืมโอเคมีอะไรไหมมีถามไหมมีมีคําถามคําถามหนึ่งเมือม่อเมือม่อพูดที่แล้วที่ที่ท่านพระอาจารย์พูดกับคุณต่ายอะ่ะค่ะได้ยินไม่ชัดว่าอะไรม้าตีนต้นม้าตีนปน อ, อ, อะไรเนี่ยเจ้าค่ะอ่าก็คนเราบางทีเวลาตั้งสัจจะว่าจะทำนู่นทํานี่ตอนตั้งใหม่ๆก็ขยันขยันขันแข็งทำ แต่พอระยะเวลาผ่านไปผ่านไปความขยันขันแข็งก็น้อยลงน้อยล ง, ยลงแล้วหายไปเลยเรียกว่า ม, มาตีเรียกมาตินตน้สนสามารถตีไปเคยอาจจะเริ่มต้นช้าหน่อยทำให้ทำให้ไม่เต็มที่แต่ค่อยๆขยับเพิ่มไป เ, เรื่อยๆกระทันพอถึงตอนปายนี่เต็มร้อยเลยปฏิบัติเต็มร้อยเลยลูกลูกเพิ่งเคยได้ยินคำนี้ับพาะลูกก็เลย ฟังฟังไม่ชัดหรือเปล่าลูกลูกฟังแล้วฟังอีกลูกก็พยายามฟังวความหมายเพราะเทียร์ก็ม้าแข่งไงม้าแข่งบางตัวมันแล้วออกจากที่ช่องแข่งนี่มันวิ่งเร็วนําหน้าไปเลยแต่พอ <Okay. S 1> ปลายปลก่อนจะไปถึงถึงเส้นชัยมันแรงมันหมดเว้นช้าลงช้าล ง, าลงไอ้ม้าตัวหลังที่มันมออกมาที่มันเอกช้าแต่ตอนนี้แรงมันเยอะแล้วแซงหน้าขึ้นไปได้ เข้าใจแล้วจ้าคะ่ะอือ <c oughs> บางทีชีบางทีพวกมาตินตอนนี้เห็นตอนที่มันเริ่มต้นโอยมันน่า จ, จะชนะนะแต่ทํา <c oughs> ไปทำมามันไม่ได้เป็นมาตินไปลางเป็นเพียงแต่มาตินตอนอืมเจ้าค่ะก็การปฏิบัติของเราก็เหมือนกันนะบางทีตอนต้นเริ่มต้นใหม่ใหศรัทธาแรงกำบังเขมแน่นคคอย่างนู้นอย่างนี้เอาเต็มที่เลยแต่พอวันเวลาผ่านไป เจอว่ามันท <m ell an> ุกข์ม vale ันยากมันลําบากความเพลียก็เลยน้อยลงน้อยลงอแล้วบางทีก็หายไปเลยไม่ทําเลยก็มีก็เหมือนบางทีก็เหมือนมีข้ออ้างให้กับตัวเองเหมือนกันเจ้าค่ะหนาวเกินไปร้อนเกินไปเหนื่อยเกินไปอะไรอย่เงี้ยเจ้าค่ะแตถ้าเราตั้งใจทำอะไรเราต้องกําหนดเวลาแต่เวลาเราต้องทำจนนื่อยจะร้อนจนหนาวจนหิวอะไม่อย่าไปให้มันเป็นเป็นอุปสรรคนะอย่าไปเป็นข้ออ้าง แล้วค่ะก็ว่ของเราคือเราตั้งใจแล้วว่าจะตั้งศัจจิ์แล้วถึงเวลานี้แล้วจะต้องทําแล้วเราก็ต้องทําไปต้องรักษาศักดจากของเราไปจค่ะถ้าไม่ตั้งก็ล้มแน่ๆเลยพอจะทำหน่อยพอคิดอยากจะทำหน่อยก็หิวซะแล้วหนาวซะแล้วเมื่อยซะแล้วป้าอาจารย์พูดอย่างนี้ลูกก็รู้สึกละอายเหมือนกัน่าเขาถึงต้องตั้งสักจากยังไงเอค่ะ จะพยายามเจ้าค่ะจะเอามาจะเริ่มจะพยายามให้มากขึ้นเจ้าค่ะแต่ถ้าตั้งส okay, ัจจะแล้วไม่รักษาสัจจะก็อย่าไปตั้งให้เสียเวลาแล้กดตั bien, ้งแล้ก็ลืมไปเจ้าค่ะโอเคนะเข้าใจแล้นะเข้าใจเจ้าค่ะโอเคสาธุน้องกราบจ้ะเจ้าค่ะเข้าใจไปไม่ได้ไปยัไงเป็นเต่าไม่เป็นกระต่ายกระต่ายนี่มันมาตินต้นเนะ่ น้ำกลับวัศการพระอาจารย์ครับเป็นต่ำในการนะสามตั้งมาพระอาจารย์ครับไม่ไม่ขึ้นขึ้นลงลงสามตั้ก็ทีนี้เริ่มเริ่มเริ่มสปีดมาแล้วครับอาจารย์ครับาพิ่มสปนะครับกล้จเข้าเข้าหลักชัยแล้วนะเวลาใกล้จะหมดนะครับก็เหมือนกับที่ได้เรียนกับพระอาจารย์ไว้ปีที่แล้วครับปีนี้ก็เริ่มหรือในสัญชิกแล้วครับอาจารย์ก็เข้าไปเขไป้เลย ครับได้ได้มาสองสิทนะครับอาจารย์ครับรู้สึกดีขึ้นไหมเวลาทําในสัาธิกก็รู้สึกดีขึ้นครับอาจารย์ครับช่วงช่วงแรกคือก็คิดมากอยูน่นะครับก็เออจะได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่ก็วันแรกที่ทําไปก็ก็คือวันแรกนี้นั่งนั่งไปประมาณสามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงนั่งมานั่งนะันั่งปิ้งเนี่ น, นะครับก็ไม่ไม่ลุกไปไหนก็นั่งอยู่ที่เดิมมนะครับอาจารย์แบบว่าเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าเออ ทรมานแค่จิตใจไม่ทรมานร่างกายเงี้ยครับที่อาจารย์พระอาจารย์ได้ได้ได้สอนไว้ครับอืพลังนั่งไปสามชั่วโมงกว่าก็โอเคก็ประมาณนั้นได้ครับสักเที่ยงนะครเที่ยงเที่ยงคืนเนี่ที่ที่เหลือก็ไปนั่งขัดสมาธิต่อไว้ครับอาจารย์อืก็ก็ได้อยู่ครับบ่อยอยู่ครับสัปดาห์ที่แล้วก็ก็นั่งได้อยู่ครับอาจารย์ครับนั่งได้จนตามตามที่กําหนดไว้ครับอาจารย์ครับอครับก็ก็เริ่มเริ่มทมแล้วก็ มันก็เข้าสมาธิได้ง่า ย, ายครับพระอาจารย์ครับเข<ห>้าตรงดีขึ้นครับเข้าไปเ อ, อ่อขอผมขอ ผ, ผ, ผมจะพูดโทรไปก่อนนะครหลังจากนั้นก็ผมก็จะนับเลขครับอาจารย์อืก็เ อ, อ่อปกติเด๋ยผมผมเคยฟังหลวงพ่อยินงเขาให้นับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองี้ย่าครับอืแต่ว่าผมผมมาคิดดูจิตขอผมอ่ะน่าจะโลดผลนมัย่ยผมนับถอยหลังครับอาจารย์ ก้าวสิบเก้าก้าสิบแปดก้าวเจ็ดมันได้สติดีครับอาจารย์ครับออครับก็ถ้าแต่บางทีแต่ะคนแต่บแางคนถ้าถ้าเกิดนับโดยหลังรอบนี้ถ้าเกิดนับยังไม่ถึงไม่ถึงศูนอย่างเงี้ยมันที่ลมมันหายไปเลยครับอาจารย์หายปุ๊บผมก็ผมก็หายก็หายผมก็ก็ดูดูที่จมูกไปฮรอาจารย์อืที่เดิมที่เดิมก็นิ่งนิ่งก็นิ่งได้นานหรือครับอาจารย์ก็ อย่าไปคิดอย่าไปอย่าไปค้นหาลมไม่ต้องไปควานหาลมมันหายไปกันรู้ว่ามันหายไปมันหายไปมันวุบบางทีมันก็สุกมันสุกมันแน่นมันมันแบบว่ามันชุ่มชื่นใจชุ่มเย็นมเหมือนการรู้สึกตกจากที่สูงมาก็ช่วงตกจากที่สูงไม่ค่อยมีครับอาจารย์คนใหญ่ก็ลมจะหายไปแต่ผมผมก็พยายามดูว่าเอ๊ะลมที่หายอ่ะผมหลับหรือเปล่า ผมก็ดัวผมก็ไม่หลับผมก็มันไม่หายแบบมันไม่หายแบบขาดใจขาดถ้าขาดใจมันน่ามันมันแน่งมันสั่นถ้ามันหายแบบขาดใจไม่ยากไม่ยากเวลาขาดใจลมหายแล้วรู้สึกวันขาดใจแล้วใจมันก็จะแนงเย็นตลอดอืมครับแต็แต่นี้มันหายใจมันก็มันก็เย็นไปเลยแล้วอาจารย์มุบเบามันมีกายไม่มีอะไรนะอาจารย์ก็ ช่วงอย่างช่วงเช้าเนี่ยอากาศมันเย็นนะฮะผมก็ใช้ผ้าแค่ผืนเดียวเป็นผ้าไม่หนามากผ้าบางนะอาจารย์มันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับอาจารย์อ mm hmm. เพราะช่วงสัปดาห์ก่อนอากาศค่อนข้างเย็นเหมอตอนเช้าประมาณสิบเ็ดสิบเนี่ยอาจารย์ทำตื่น mm hmm. มาตีสามครึ่นก็ก็นั่งกันเลยครับจนถึงประมาณสักห้าโมงครับอาจารย์อืม mm hmm. ก็รู้สึกว่ามันจะเข้าได้อยู่ตลอดนะเพราะว่า ผมก็เจริญสติทั้งวันนะครับอาจารย์ให้มันชำนาญต่อไปเข้าง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นอยู่ได้นานขึ้นครับผมครับผมนี่ตั้งใจว่าเออผมจะทำเพิ่มอยู่ครับอย่างอย่างเหมือนกับวันพุธนี้น่าจะนั่งจนถึงเที่ยงคืนนะครับอาจารย์ครับแล้วก็านายิครับครับผมก็ยังจำาพระอาจารย์บอกว่าออทำให้มากๆทาเออถ้าถ้าแบบว่าทำาสมาที่ให้มากๆวัน ไอนี่มันเป็นความโลภโลภแล้วมันได้ได้มากนะครับผมก็เออเป็นความจริงนะครับอาจารย์ครับมันมันเข้าง่ายอะครับอาจารย์ครับผมก็ใจก็เย็นก็ชุ่มก็เย็นอยู่นะครับอาจารย์อืมครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ครับวันนี้ให้กำเังใจอาจารย์ให้กําลังใจเขาให้ทำให้ว่างนะเท่าที่เราจะทํำไว้ครับผมครับตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเข้ามาก็วันนี้เข้าไม่ได้ครับ ถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ไม่ทุกใจไม่อะไรก็ผมก็ฟังอีกข้างนอกครับอาจารย์ครับอ่าวันนี anyway, exactly right right so end, no huh ้คนคนเยอะคนได้อยากเข้ามาเยอะครับผมสัปดาห์นี้ก็เลยว่าเออถ้โชคดีเข้ามาได้ก็ก็ก็ดีครับก็ไม่ทุกข์อะไรครับอืมก็พิจารณาอยู่ครับว่ามันเป็นอนิจจ์มันไม่เที่ยงอย่านี้ยรอาจารย์นั่ตามาก็กลัวมันเข้าไม่ได้ครับผมครับผมก็น้อมน้องก็หาตายรักอยู่เรื่อยครับอาจารย์ครับในนั้นตายนนิจจ์มันจะไม่ทุกข์ ครัถ้าไม่เห็นนั่นนี้จังไม่เห็นนั่น้นตายก็จะทุกข์นครับก็ครับผมครับผมขอบคุณพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ข้าพแข็งแรงครับผมไม่ใช้กาลังใจสู้ต่อไปนะครับผมสู้สู้ไม่ถอยอยู่ล้ครับะอาจารย์ครับต้องไปตายอัตรอนาะทครับผมต้อเอาให้ได้อยู่ครับพระอาจารย์ครับโอเคต้วงพยําอยู่ครับครับผมครับผมอไปที่ของพระอาจารย์ครับผมสาธุเป็นนสุรัสเนเจน ประชุมทางนี้เมรุเคียงรายผ่านไปแล้วนรมัร ก, การท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะยังไงการปฏิบัติช่วงนี้ยังปฏิบัติต่อเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ไม่มีคําถามใดเจ้าค่ะโอเคสาธุรักษาความสงบไว้นะเจ้าค่ะอาจารย์พอออกจากความสงบมามาใช้ชีวิตประจําวัน มันแตกต่างจากตอนที่เราไม่สงบเจ้าค่ะอืมใช้ปัญญาก็ได้ไปปล่อยวางอะไรที่มันจะเป็นจะต้องแบกก็อย่าไปแบกมันเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะโอเคถ้าเอ่าคุณปุ้ยลักซซเบิร์กไม่เห็นน้ำหลายที่เนี่ยนะไปไหนมาหรือเปล่า กรรมนมัสกันกกค่ะพระอาจารย์เห็นโยมหรือเปล่าคะโยมไม่เข้าไม่ได้อเออสัปดาห์ที่แล้วค่ะเข้าไม่ทันนะค่ะเข้าเข้ามาแล้วแต่ว่าอไม่มีคนตอนรับค่ะอ๋ออดีติวมันยาวส<อ>งสัยจะมีคนเยอะค่ะแต่ไม่เป็นรายโยมนะจะเข้ามารายงานตัวว่าสัปดาห์ก่อนนู้นตั้งแต่ปีใหม่มายโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานโยมก็ทํามาได้เรื่อยเลย นะมาสะดุดตรงที่โยม เ, เกิดบททดสอบคือคือมีผู้หญิงที่รัฐบาลพยายามจะทดสอบแบบเหมือนกับเขาพยายามจะกันแก้งเราแต่ว่า เ, เราก็เราก็ผ่านมาได้เพราะโยมก็ใช้บทเมตตาของพระอาจารย์สอนนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์สอนว่าถ้าเขาอยากได้อะไรเราต้องเราต้องฟังให้มากแล้วก็พูดให้น้อยแล้วก็ให้มีเมตตา คือตอนแรกโยมก็จิตตกไปนิดนึงทีนี้โยมก็หลังจากหนึ่งคืนโยมก็ลุกขึ้นมานั่งใช้สมาธินั่งนั่งสมาธิและโยมก็เลยตัดสินใจใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสสิ่งที่เขาแกล้งโยมก็ทำให้ให้ดีกว่าและโยมก็เอาของกวนเนี่ยไปให้เขาก็เออโยมรับว่าเขาอยากจะรู้ อยากจะรู้เกี่ยวกับตัวเราเราก็เลยเราก็ไลยบอกว่าอคุณอยากรู้เอ่กับชั้นยูก็ถามชั้นยคุณไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกเอเขาก็เอเข้าใจอโยมก็ขอบกล่าวขอบพระคุณ ท, ท่านอาจารย์โยมก็ถือศีลแปดมาตลอดค่ะเอ้วโยมก็คิดว่าไม่เดินไปทางไหนแล้วก็เดินตามท่านอาจารย์นี่แหละค่ะเพราะว่าตัดสินใจมาแล้วแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่หกแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพอเดือนกุมภาหนี้ก็เข้าศีลแปดมา ครบสามปีเข้าปีที่สี่แล้วคะ่ะอาจารย์คือโยมสงบนะโ ย, นโยมเปลี่ยนจากคนที่โมโหโทโสง่ายไม่ค่อยคิดคิดน้อยออพูดเร็วกับความคิดโยมก็เปลี่ยนมาเป็นช่างใจก่อนคิดก่อนพูดอย่างนี้ค่ะและใจเย็นลงและสงบมากขึ้นเน้วรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมาด้วยโดยที่ว่าโยมต้องไม่ได้บอกว่าโยมทุกคนต้องมาเชื่อโยมนะคือเงินทางมันเปิดและทรัพย์มันก็เปิดให้เราโ ย, โยมก็เลยบอกว่าโยมมาถูกทางแล้วถึงโยมจะอยู่คนเดียวมันไม่ได้เหงาเลยเพราะว่ามันเวลามันผ่านไปเร็วมากค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าแป๊บแป๊บแป๊บแปบ๊อุ้ยหมดแล้ว โ ย, ยมปฏิบัติยังไม่เท่าไหร่เลยวันหมดแล้วแต่บางทีโยมก็เกเรนะท่านอาจารย์โยมติดไปดูไปมองตรงนู้นดูตรงนี้โยมต้องกําจัดกิเลส ข, ของโยมเนี่ยนะเอาชนะใจโยมให้ได้ค่ะมันมีอยู่แค่ตรงเนี้ตรงเดียวเลยค่ะก็ให้เปสติเยอะๆสติไปใช่ค่ะโยมก็ใช้วิธีที่ท่านอาจารย์สอนว่าให้ให้ใ ห, ให้เอาพุโทโธมาแนบใจรวมกับคิดเอาเอง โยมว่าทำยังไงวะโยมก็เลยเดินออกไปเดินกับน้องหมาเนี่ยแหละค่ะโยมก็พุโทโธพุโทโธของโยมไปโยมก็เอาพุโทโธมาวางไว้ในใจแล้วโยมเห็นดวงพุโทโธมันเป็นดวงดวงอะ่ะมันแล่นแล่นมาที่จมูกแล้วแล่นเข้าไปที่ตรงกลางกลางกางตัวโยมพอเดินโยมโยมเดินออกไปโยมเดินกลับเข้ามาโยมรู้สึกสงบค่ะอืม แต่ตอนกลางคืนโยมไม่กล้าเดินเพราะว่าโยมกลัวผีเอ่ะคือตอนแรกโยมบอกคท่านอาจารย์ว่าความกลัวผีเอ่ะมันมันหายไปแล้วโยมไม่มีแล้วแต่ทําไมผีมันชอบกลางคืนแล้วมันมันไม่ชอบกลางวันผีไม่ชอบอกลางวันมันมันโยมคือบางทีจิตโยมปรุงแต่งค่ะเอ่าอันนี้โยมยอมรับแล้วก็เอ่อเวลาที่โยมฟังท่านอาจารย์เนี่ยโยมจะฟังธรรมทุกเช้าแล้วนั่งสมาธิไปพร้อมกับ เวลาที่ท่านอาจารย์เทศทีนี้มันยมมีอยู่เรื่องหนึ่งคือว่ามันเป็นอะไรว่าโยมก็ไม่รู้ยมก็ไม่ได้ป่วยนะคือมันมีเหมือนกับมีเสมหะหรือมีอะไรมาติดติดติ ด, ต ด, ตดคอทําให้เรามีปัญหาเหมือนกับมีมารมาผจโยมอ่ะค่ะท่านอาจารย์ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุทโธไปใช่ค่ะยมก็เลยให้ช่างมันเอปล่อยให้มันไป สักสามสี่ห้านาทีและหลังจากนั้นโยมก็สงบได้แล้วก็ฟังฟั ง, ฟ, งฟังไปโยมไม่ได้หลับนะโยมว่าโยมไม่ได้หลับมันแบบมันอยู่ๆมันก็แบบโยมใช้ดูลมหายใจอ่ะแล้วก็พุทโธโยมโมหายใจแล้วพุโทโธค่ะแล้วก็โยมรู้สึกว่าสงบและเวลาเราเอานำสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันคือมันมีคุณภาพมากค่ะมันช่วยโยมได้เยอะค่ะ อฮะโยมก็เลยบอกว่าจะมากราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วค่ะอยู่ตรงเนี้แหละค่ะถ้อยปฏิบัติออกมากขึ้นนะใช่โยมจะต้องเล่งแล้วค่ะเพราะว่าเวลาโยมเหลือน้อยแล้วจะได้ให้เสร็จงานนี้ภายในพรบิชาตนี้นะค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมะเป็นคนดีมากเลยตั้งแต่ปีใหม่แล้วโยมเลิกเล่นหวยไทยแล้วนะคะเนี่ย่เล่นหวยแล้วปฏิบัติตามท่านอาจารย์ค่ะ ไล้วเลยววัถ okay. ัดไปเดี๋ยว้ัวฝัาหลังต่อฮ่าฮ่าาโอเคขอให้ถูกบางวันที่หนึ่งก็แล้วกันอ่าจะได้เริ่มทันทีดีคสาธุดอวน้อมรับเลยขอพระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงค่ะขอบคุณเจ้าค่ะใช่คุณหมอเรื่องเรื่องต่อคุณหมอ วัฒนการครับพอาจารย์เป็นยังไงบ้างการปฏิบัติก็ดีครับอาจารย์ผมที่ให้สัจจะกับพระอาจารย์ว่าจะรักษาสิบแปดหนึ่งวันนะครับอาทิตย์หนึ่งพอผมรักษาไปหนึ่งวันปรากฏว่าติดใจครับพระอาจารย์ก็เลยสิบเอ็ดวันได้มาสิบเอ็ดวันแล้วครับพระอาจารย์เอาทุกวันเลยทุกวันเลยครับผมไม่ทำ เ, <อ>เนี่ยตอนหลังเที่ยงวันผมก็ไม่ทานอะไรแล้วครับเออแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ครับพระอาจารย์อืก็ดีครับพระอาจารย์รู้สึกเออมันดีขึ้นครับ ยังไปที่วัด ว, ว, วัดวัดมอยู่เปล่าผมอัปดาห์นี้ไม่ได้ไปพระอาจารย์แต่นั่งอยู่ที่ห้องนะครับพระอาจารย์ห้องทํางานนี่ขับห้องทํางานแล้วก็เวลาวันหยุดก็จะฟังจะนั่งช่วงมันจะจะฟังคำว่มมาพระอาจารย์นะครับผมจะฟังก่อนสามสิบนาทีแล้วพออย่างนี้นผมจะนั่งยาวเลยครับอืมก็ครับ<ด>ค่ะพระอาจารย์แต่ก็มีมีบางวันนะครับพระอาจารย์ผมไปคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้มากนะครับ ในช่วงสิบกว่าวันที่ผ่านมาก็มีสักสองวันนะครับพระอาจารย์บางทีไปไปไปคิดเรื่องเรื่องรุนเรื่องนี้เรื่องเรื่องงานมากไปครับก็รู้ว่าโอ้มันมันต่างกันครับอาจารย์พอเวลามันหลุดออกไปนี่มันมันต่างกันเยอะเลยครับื้าปล่อยคงไม่ให้ดีตอนทีระอาจารย์ครับก็ก็เป็นประสบการณ์ครับอาจารย์ว่ามันมีถอยหลังบ้างเหมือนกันครับพระอาจารย์มันมีถอยไปแต่พอตั้งสติได้ มันก็ดึงกลับมาได้ครับพระอาจารย์อทําก็เลยมารายงานพระอาจารย์ตรงสผมว่าจะพยายามคือก็คือจะรักษาไปทุกวันนะครับพระอาจารย์โย่อย่างน้อยที่สุดก็ใกล้เคียงครับเพราะว่ามีแปดข้อนี้ก็ก็ได้หลายข้อครับอาจารย์ไม่น่าจะผิดอะครับนะครับครับพระอาจารย์ไม่หิวข้าวเย็นอะไรไม่หิวเลยครับพระอาจารย์แปลกมากเลยครับตอนแรกๆก็ทนไม่ได้ตอนแรกก็หูตอนเย็นนี่หิวมากครับพอผมทําไปได้วันหนึ่งวันที่สองอัลองอีกวันหนึ่ง ก็ารออีกวันหนึ่งปรากฏไม่หิวแล้วครับพระอาจารย์อืตอนเย็นก็เป็นน้ําน้ํามะพร้าวแก้วเดียวกับอาจารย์อือตัวอย่างนะครับหรือน้ําแก๊กฮวยแก้วเดียวนี่ครับไม่ไม่ยากเลยครับพระอาจารย์อสติเราดีขึ้นสติครับความหิวได้ครับอาบจารย์แล้วก็ทําให้เวลาถึงแม้เราหลุดออกไปแต่เวลาเรากลับมาเนี่ยมันไม่ยากครับพระอาจารย์อหมายถึงว่าผมหลุดไปสักสองวันนะครับพระอาจารย์ผมไม่ ไม่ได้ไม่ได้มีเหมือนเดิมพอตอนนี้ก็รีบตื่นมาก็พุดโธตลอดครับแล้วก็ที่พระอาจารย์สอนว่าถ้าถ้ามันพุดโธแล้วมันยังยังคิดอยู่ก็อิทิบิโสไปเรื่อยๆครับผมก็วสวดตียังสิบเก้าจบยี่สิบแบบยาวนะครับพอสักพักหนึ่งพอสวดอิทิบิโสจนใจเราสงบแล้วก็มานั่งก็มันพุดโธแล้วก็นั่งสมาธิครับครับพระอาจารย์เพื่อจากวิธีสร้างสติขึ้นมาแนละ้วเว จิตฟุ้งไม่มีสติก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ใช่ครับอาจารย์ก็สวดสักสิบจบเหรครับอืสิบจบพอเริ่มสงบ ก, ก็ค่อยพุโทโธครับหรือเวลาผมเ อ, อทํางานอะไรที่มันไม่ใช่ว่าต้องใช้ต้องใช้ใชความคิดครับอาจารย์บางทีบางทีพุโทโธพุโทโธก็มีหลุดนะครับอาจารย์เองว่ามันก็จะไปคิดพอถ้าพุโทโธแล้วอยู่ไม่ได้มผมก็จะอิจิปิโสครับพระอาจารย์สวด ย, ย, ยาวๆสวด ย, ย, ยาวๆไปเรื่อยๆครับครับ แต่ว่าแล้วก็นั่งสมาธินี่มันมันเหมือนขั้นบันไดครับพระอาจารย์มันจะมีสงบที่ต่างกันต่างกันต่างกันยิงย่งยิง่งขึ้นไปครับอืมครับก็อาานก็แบนแบนเป็นขั้นขั้นรูปฌานครับกรับอาจารย์เป็นขั้นบันไดครับครับพระอาจารย์ขอให้มีสติอยู่กับลมอยู่กับกรรมฐานนะั้นเดี๋ยวมันจะพาเราไปเองครับพระอาจารย์อืม ก็พยายามรักษาศีลให้ให้สํารวมกายวาจาใจอ่ะครับอืครั บ, mm hmm. รบตอนนี้ผมก็นึกถึงตอนที่ไปบวชเป็นพระแล้วก็ถ้าเราสํารวมกายวาจาใจอย่างไรเนี่ยเราก็พยายามทําเหมือนตอนที่เราบวชพาะครับพระอาจารย์อ mm ื hmm. ตอนที่ใครมาบวชที่วัดบวรแล้วไปจำพรรษาอยู่ที่วัดวัดยานสมัยนู้นนะครับออ mm hmm. ตอนนั้นผมบวชตอนในหลวงแล้วเราก็ตึ้นตนแบบเออสารวมะครับพระอาจารย์ mm hmm. ผมก็ว่าเออถ้าตอนนี้เรารักษาศีลแปดเนี่ย เราน่าจะเวลาปฏิบัติตนเนียให้สมรวมเหมือนตอนเราเป็นพระเขาพระอาจารย์ครั บ, รรบมีสติมากขึ้นการสำรวมรพระอาจ า, ารย์ต้องมีสติถึงจะสำรวมได้ครับพระอาจารย์ไม่งั้นเราก็จะจะติดติดแบบสนุกโบกหาอะไรบ้างทำตะไก้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยิ้มอย่างเดียวครับราอาจารย์ร่างกายว่าใจครับพระอาจารย์อดีตฉบับที่แล้วเข้าไม่ได้นะครับพระอาจารย์ สำหรั<ม>หรแล้วเข้าไงก็เข้าไม่ได้ก็แบง่งแบ่งบ้านให้คนอื่นบ้างครับพระอาจารย์ครับกทัมงงานก็จะต้องพยายามจัดสรรให้คนที่เข้าไม่ได้เข้าม า, าครับพระอาจารย์ครับอย่างวันนี้ก็จะมีหลายคนที่เข้าไม่ได้เด็กก็ต้องรอขงเข้าหน้าถึงจะเข้าครับพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรผมก็ค<น>ร<าย>ับบปัดกันครับแล้วก็จะพยายามปฏิบัติต่อเนื่องนะครับพระอาจารย์ คตามจิตที่ให้สัจจะก็ตั้งตั้งอับที่ครับอาจารย์จนกว่าหลักกณจ์ที่สำเร็จรุ่งรุ่งลงครับอาจารย์ครับก็ตั้งใจว่าปัจจุบันชาติเนี่ยก็จะต้องมุ่งเข้าสู่ความสงบแล้วก็ตั้งว่าอย่างน้อยต้องพยายามให้ถึงพระโสดาบันให้ได้ครับอาจารย์ในชาตินี้นะครับก็จะทำเต็มที่ครับครับอาจารย์ ผมผมคิดว่าถ้าตั้งใจทํามันก็จะเพิ่มไปได้เรื่อยๆครับใชอ่อยู่ที่ความเพียรนี่แหละขับพ <คน S 1> ้นจากความทุกขได้ด้วยความเพียรครับพระอาจารย์ครับเลยประกาบกลับนมัสกา ร, ร, รพระอาจารย์และทัยสัจจะว่าจะทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ด, ดีมา ก, า, ากครับขอว่าจะครับขอาอาจารย์ท่านแข็งแรงครับสาธุสาธุครับคุณป า, า, า, านเมื่อไร่เลิก ง, งานแล้วเหร งานโรงานนี้ไม่มีเวลาก็ยังโชคดีหน่อยค่ะเพราะว่าทำงานใส่บริหารก็ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ต้องไม่ต้องเข้ากะอะไรนีค่ะแต่ว่าด้วยความที่โอเนอร์เขาก็ไว้ใจค่ะว่าถ้ามีถ้ามีงานอเนีเวนต์ค่ะเขาก็อยากให้ไปช่วยดูแลอะไรอย่างนี้นค่ะถ้าเป็ น, เ ป, นเป็นเวลาพิเศษไปค่ะเหมือนเดิมค่ะ หนูคุยกับโอนเนอร์บ่อยๆเลยเพราะเขาอยากให้หนูทางานต่อเยอะๆเราเขาก็บอกว่าเนี่ยมาไม่ต้องไปวัดหรอกเออ่มาทํางานช่วยคนช่วยพนักงานแต่หนูก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะหนูก็หนูก็หนูก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าพูดพูดไปมันก็ใครไม่เข้าใจก็เราก็ไม่จําเป็นต้องอธิบายแต่สุดท้ายหนูก็บอกว่าหนูหนูชอบงานทางพระพุทธศาสนาหโบไว้ใจหนูได้หนูทํำคบคู่กันไปได้อะไรยเงี้ย แต่ว่าหนูชอบทางนี้มากกว่าค่ะก็ยังยังเหมือนเดิมนะคะปีที่ผ่านมากับปีนี้ค่ะยังใช้เรื่องของสติ ค, ค่ะสติมาปัญญาเกิดค่ะโอเคฝากขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าคุณยินดีถึงอเมรักแล้วเหรอค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะถึงแล้วค่ะถึงวันไหนวันจัดพอดีนะทำ ง, งาน รู้ถึงวันวันที่เย็นค่ะใช่ค่ะท่านอาจารย์อก็ประมาณวันที่เย็นที่นี่ก็เท่ากับวันวันวันวันเสาร์คืนที่ที่ประเทศไทยอืมค่ะก็ก็ไปค้างคืนที่พาเลซคืนอยางค่ะใช่ค่ะท่านอาจารย์เพราะว่ามันไม่มีเอ่อไฟมันไม่มีไฟต่อค่ะต้องไปค้างคืนหนึ่งคืนแล้วก็เช้าแล้วก็มาถึงนี่เย็น ถนี่กลาคือนะคะประมาณทุ่มนึ่อะค่ะถึงบ้านเป็นวันอาทิตย์ที่ไหนเลวันเสาร์ค่ะวัอาทิตย์วันอาทิตย์ที่นี่ค่ะวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์ตอนกลางคืนแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะไปทํางานต่อเลยค่ะท่านอาจารย์ก็โอเคค่ะก็มีความสุขค่ะท่านอาจารย์มีความสุขด้วยกันทั้งสองคนค่ะโกยความสุขที่ได้ใกล้ครูอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ค่ะ คุณความสุขเลค่ะท่านอาจารย์เป็ความสุกว่าแล้วเขาก็คัีก่อนไปก่อลซังเต้เป็นแดงเหมือนเดิมกันท่านอาจารย์ก่อนไปเขาบอกบอลซังเต้ทานอายะไปได้จา์มาเอเคขอบคุณมากานะระดับสูงค่ะท่านอาจารย์รยออโอเคสาธุอ่คุณบัวต่ออันนี้ได้ออกเงินทางหรือยงังอันนี้ ถึงแล้วเจ้าค่ะถึงแล้วถึงสานฟานแล้วเหรอเจ้าค่ะไงไงเมื่อคืนวันอังคารค่ะแปลกหูแปลกตามไม่เหมือนบ้านเราเหมือนบ้านเราค่ะเพราะใช้สติค่ะอืก็ต่างแค่ภาษาค่ะ อ, อากาศก็หนาวหน่อยนะช่วงนี้เจ้าค่ะหนาวกว่าประเทศไทยเยอะเลยเหนาเยอะไหมวั น, นี้ก็ชอบมีหมองเยอะนะตอนบินก็เยอะค่ะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจ เพิ่มเจ็ดตีห้าหกโมงอ่อห่างกันสิบห้าชั่วโมงใช่ไหมเจ้าค่ะประมาณนั้นนะค่ะตอนนี้ที่นั่นตีห้าที่สามทุมนะค่ะแต่ช้ากว่าหนึ่งวันใช่ไหมคะใช่ช้ากว่าหนึ่งวันเจ้าค่ะก็นั่งเครื่องก็ใช้สติบ้างฟังธรรมบ้างเจ้าค่ะก็ถ่านมาได้เจ้าค่ ะ, ะไม่วุ่นวายนะไม่ต้องไปกังวลกับอะไร ในปัจจุบันแล้วมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้มีอะไรมาแล้วอาจจะอาจจะแตกต่างตรงภาษาหนูก็คงต้องปรับเยอเจ้าค่ะอืมก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆเรียนรูไปเรื่ยอยๆเดี๋ยวไม่กี่เดือนมันก็ชินแล้วสักหกเดือนมันก็เริ่มชินแล้วเจ้าค่ะทั้งอาหารการกินให้กอืม กยังทอดไข่ได้อยู่บ้านขาเทียวขาเทียวจิ้น้พิกได้นะไม่รู้วาถว่เดนีค่ะสวัสดีค่ะ you? How are you doing? I'm well, thank you. We finally made it. You're a l l y good. Okay, how was the trip? Okay. Very good, thank you. Alright. อื้าจก่อนเดินทางมา เขาพาไปภูทับเบิดภูทอกก็เลยรู้สึกว่าฝึกความใจได้วิวนิดนึงเจ้าค่ะถ้าผ่านภูทอกนะคะลงปูป่ปจ้นประวัติเสียวใช่เจ้าค่ะคนต้องมีสติมกๆต้องเดินเจ้าค่ะก็พอดีพอดีพระอาจารย์สอนว่าอยู่ที่ไหนก็ตายภูรังกามีคนถามพระอาจารย์ว่า ไปพูนการทาไมเขาตายที่นั่นก็จรองว่าอยู่ไหนก็ตายทุกที่ก็เลยตั้งสติกลับมาเดินต่อเจ้าค่ะจ้าทูเจ้าค่ะก็ผ่านมาได้เจ้าค่ะโอเคก่อนบินมาเจ้าค่ะจะอยู่นานไหมแรกขี่กัสิบ ป, ปีอยู่ที่เขาว่าจะพากลับตอนไหนค่ะอ๋อจะปม่อยลาเกยจะปลยอยลาเกย์ให้นั่นนานแค่ไห<ม>นก็ม่เยอะ กลับเมืองไทยคะ่ะแต่ว่าต้องดู อ, อ, อาการแม่ก่อนคะ่ะถ้าโอเคก็กลับได้เจ้าคะ่ะแม่เขาแปดสิบกว่าคะ่ะแต่ เ, เขาบอกว่าเขารักเนไทยเจ้าค่ะก <c oughs> ็อยากกลับอยู่จ้าคะ่ะท่านอาจารย์ค่ออยู่กับความว่างแล้วก็บางครั้งจิตมันไม่สนุกเหมือนเดิมแล้วหนูก็อยู่อยู่กับสมาธิสติ เขาถามว่าทําไมไม่ค่อยยิ้มหนเลยบอางครั้งหนูก็สวดมนต์อยู่หนูก็เลยไม่รู้จะตบอบยังไงก <laughs> ็บอกว่าเราเราเป็นความอิ่มความพอเราก็เลยไม่ต้องแสดงอาการอะไรต่างๆออกมาเจ้าค่ะแล้วก็มีความรู้สึกตอนนี้เอ่อมองผู้คนวุ่นวายไปหมดเลยเจ้าค่ะอก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจบางครั้งก็ เขาก็เห็นหนูนิ่งก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันมีความสุขดีหนูวะก็เวลาเจอคนก็ยิ้มกันนะพูดฉนหน่อยก็ดีเขาจะได้ไม่มากัโมยกันแล้วพูดไม่ได้เกับพวกไม่ถูกภาษาก็เลยก็เลยนิ่งแล้วก็ยิ้มนิดหน่อยเท่านั้นอ่าใช้กูเกิลดูเลยอ่าใช้ถ้าโทรศัพท์มันช่วยแปลให้เราได้ใช่อะค่ะใช้ได้แต่วางครั้งก็ไม่อยากจับมันตลอดนะคะ ค่ะแต่ก็ถือว่าอยู่ได้ค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลาเหลือน้อยอย่างญาติโยมท่านเกล่าวกันไว้หนูก็พยายามเร่งเหมือนกันเจ้าค่ะอะ่ดีกวา้างเสร็จไ็ว่างเมร็จก็ว่งาง<จ>เสร<จ>ก็ว่างเสรว่างเสร็จ่างเร็จกว่างเสร็จก็ีา่างเสร็จก็วามเวลาเสรจะนอา ง, งเส็นก็่งเร็จกตว่งเสร็ก็างเสรก็่างเสก็ว่างเสรก็ว่างเสร็ก็ว่เขก็าเส็ก็างเข้็จก่างเส็จก่เส็จก็ว่างเสร นึกว่าจะไม่ทันผอาจา์แล้วยังงงกับเวลาอยู่เจ้าค่ะมันตื่นแต่เช้าเลนะตื่นตีสี่มั้งนอนไม่หลับเจ้าค่ะมันเตกพี่ค่ะแต่ก<ต>็นนดีเดี๋ยวก็ปรับเข้ากับเวลาเจ้าค่ะใช้สติเยอะบางครั้งภาษามันก็อาจจะเรียนรู้ไปได้เองออโต้มั้งหนูคิดว่าก็ฟังบ่อยๆมันก็จะเช่หูขึ้นเจ้าค่ะ แต่โชคดีภาษาแบบเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่กับคนไทยนะจะได้ยินภาษาฝรั่งเยอะได้ยินบ่อยมันก็ได้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้นถ้ายอยู่คนทไทยด้วยกันบางทีเมื่อแต่คุยแต่ภาษาไทยกันเวลาไปนอกบ้านนี่ฟังไม่รู้เรื่อง ก่อนบินก็ฝากกับป้าติมทําบุญพระอาจารย์ฝากบอกพระอาจารย์ด้วยขอให้ได้ต่พอดเพลยแต่ก็รู้อยู่ค่ะถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรใช่เจ้าค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีอยากขอคําแนะนําพระอาจารย์นิดหน่อยเจ้าค่ะก็เนี่ยตามที่พระเจ้าสอนเไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็ต้องมีความเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขานะ เจอใครก็รู้จักทักทยายบ้างยิ้มย้มแจ่มใสบ้างอย่าใช้อุบเบกขาอย่างเดียวอุบเบกขาไม่ได้จ้องใช้ยิ้มใช้ใช้ภาษายิ้มเนี่ยภาษากายเนี่ยคนไทยยิ้มเก่งจันตายเลยเจอใครก็ยิ้มให้เขาก่อนเลย How are you แล้วก็ Smile อย่างเี้ย I'm fine thank you ค่ะี้จบปะนะคะต้องเมตตานะเมตตาก็รู้น่า วุ่นวาอุเบกขาถ้าทำอะไรไม่ได so ้ก็ค่อยๆอุเบกขาไปถ้าพ okay. ูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็เฉยๆไปเจ้าค่ะส่วนมากก็อันนี้ I'm sorry I'm sorry ไปเจ้าค่ะขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เมตตาจะปัโอเคนะจะปฏิบัติไปตามแนวทางค่ะโอเคนะอยู่อย่างมี้ก็พอแล้วนะ Thank you John for all your encouragement Good luck to you. Thank you. Okay. Thank you. Happy New Year. Be l a t e l Yes. Happy New Year. Okay. Thank you. s a r Thank you, Sarinthon. We have been here for a long time. Do you h a e any new friends? Sir, teacher. u s t n หนูก็นั่งยิ้มนะคะเพราะว่าหนูจําได้ว่าตอนที่หนูมาประเทศนี้ใหม่ๆแล้วหนูยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษอะคะ mm ่ะ hmm. คื อ, ห น, อหนูตอบทุกคําถามเป็น yes no มเชิ่งเขาถามอะไรหนูว่าหนูไม่ yes ก็โอแล้วหนูก็มันนึกได้ทีหลังว่าอา้ามันไม่ใช่คําถาม yes no นี่แหละแล้วนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่คุยกับหนูอีกเลยะค่ะ <laughs> แล้วเวลาไปโรงเรียนคุณครูก็จะเรียกตอบคำถามแล้วก็ก็จะมีคะแนน participation ใช่ไหมคะหนูก็เลยเขียนชื่อชื่อทั้งชื่อทั้งทำศัพทคุณภ า, าษาไทยไม่มีครูคนไหนเรียกหนูเลย <laughs> มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จเพราะเราไม่ต้องตอบคำถามคุณค ร, รูค่ะแต่ <laughs> ก็มันก็ตลกดีเหมือนกันนะคะแล้วพอสัก ก็มันอยู่ไปเรื่อยๆมันก็มันก็ได้เองอะค่ะพะเจา้ามันชินไปมันชินมันได้ยินไปได้ฟังไปใช่ค่ะ <ๆ S 2> แล้วตอนแรกที่หนูจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกสุดหนูไปอยู่ที่โอเรกอนนะคะอมแล้วไปย้ายมาที่อัพสเต็นิวยอร์กแล้วเขาก็หนูก็ย้ายมาบัลติมอร์หนูก็ย้ายไปนเซอร์สปริงแลวหนูก็ย้ายไปโอชิเนียแล้วก็กลับมาเซเวอร์สปริงแล้วทุกที่ที่ไปเนี่ยแอคเซนต์เขาก็จะไม่เหมือนกันเลยแต่ละที่อะคะอ่ะอมิกซ์มากตอนที่ ช่วงที่หนูอยู่เมืองเปอร์ติมอร์เนี่ยนะคะก็คือเมืองนี้จะมีเป็นส่วนมากจะเป็นคนผิวสีอคะ่ะ mm hmm. แล้วหนูก็จะฟังเขาจะพูดอยู่ในคอนะคะ่ะมันไม่รู้เรื่องเลยะคะ mm ่ะ hmm. พระอาจารย์ mm hmm. ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ลรานั่งสมมติเรานั่งรถเรานั่งสับไลท์เร็วอะคะ่ะเขาก็จะคุยกันแล้วเราก็จะแบบเขาพูดอะไรกันทําไมเราเหมือนเราเหมือนเราไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาพูดอะไร mm hmm. อย่างเงี mm ้ยค่ะอจนกระทั่งอยู่มาได้สองปีถึงจะเริ่ม เข้าใจแต่ accent เขาพอไปพอย้ายไปที่อื่นเาเอ้าวทำไม accent เปลี่ยนอีกแล้วเงี้ยค่ะก็จนสักพักหนึ่งเราก็เริ่มทำใจว่าก็ปล่อยละค่ะอะไรก็ได้เหมือนกันก็สดีค่ะอาจารย์ตอนนี้ไปอยู่ทั้งหมดกี่ปีแล้วเนี่ยหนูอยู่มายี่สิบเจ็ดกำลังจะเข้าปีที่ยี่สบแปดแล้วค่ะอาจารย์ไั่นแต่ยังเป็นสาวอยนะ ตั้งแต่ก็เรียนจบมาแล้วก็ทำงานมาได้สองปีอะค่ะมามาที่นี่อายุยี่สิบสองะค่ะพอาจารย์ค่ะก็ก็จะเข้าจะห้าสิบแล้วค่ะอืมส้วนะค่ะเดือนหน้าเดือนหน้าครับก็เริ่มตรงค่ะอาจารย์ก็ใกล้ใกล้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆค่อนอายุค่อนชีวิตแล้วอะค่ะอาจารย์อ่ก็หนูก็ช่วงนี้หนูก็ มันก็จะเห็นแต่อริจังอนัตตานะคะพระอาจารย์เพราะหลวงหลวงตาที่วัดนะคะที่หนูเคยเล่าท่านพระอาจารย์ฟังองะคะ่ะตอนรนาภาพเมื่อวานนี้แล้วหนู ก, ก็ไปส่งน้ําท่านนะคะเราก็เห็นเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะก็คือเห็นเห็นาธาตุที่มันดับลงยยอย่างเงี้ยเห็นว่าร่างกายเร า, าร่าก็ไปเหมือนก้อนเมฆแล้ววันนึงมันก็กลายเป็นน้ํำฝนออกมาเ่าแอเห็นความเปลี่ยนแปลงในเวลารวดเร็วอ่ะ Mm hmm. เห็นเสร็จแล้วก็ทุกคนก็มาทําบุญหนูก็ไปหนูก็ไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไปงานสวดอภิธรรม mm hmm. อย่างเงี้ยอืมก mm ็เราก็เห็นว่าปกเหมือนหลังๆเนี่ยหนูไปวัดก็จริงแต่หนูไปเฉพาะปฏิบัติธรรมหรอคะ mm hmm. แล้วหนูก็ร่วมกิจกรรมวัดอื่นๆแทบจะไม่ได้ร่วมเลยอะคะ่ะพอไปตอนเย็นก็จะไปเจอคนเก่าๆที่หนูเคยเจอเมื่อ20กว่าปีก่อนนะคะ mm hmm. เขาก็ชวนให้มา ทำกับข้าวถวายพระหรือทำอะไรอย่างเงี้ยมาชวนมาเราก็เราก็แบ่งหลับแบ่งสู้เพราะว่าอย่างที่พอเราปฏิบัติแล้วมันเริ่มรู้สึกอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะว่ามันมันขัดนทำทานอย่างทำภาวนาเนี่ยมันขัดกันงานมันขัดกันพอมันเหมือนพอออกไปแล้วมันก็มีความสุขแต่มันฟุ้งอะค่ะมันกลับมาพอมันกลับมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยหนูก็เริ่มงงว่าเออเราเข้าสมาธิหรือเราหลับนมันเราเหมือนเหมือนผลมันน้อยลงอะค่ะพระอาจารย์ เราก็แต่ก็ยังปฏิบัตินะคะก็ยังไม่ยังไม่ลดนะคะ่ะแต่เหมือนมันยากขึ้นมันทําได้ยากขึ้นเวลาที่ไปเจอผู้คนมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากคุยกับใครเราไม่อยากเจอใครถ้ามีเวลาว่างเรายินดีที่จะอยู่แต่กับบ้านอย่างเงี้ยค่ะยังยังหนูไม่มีรถตอนนี้ใช่ไหมคะที่รถรถชนน่ะนะคะอืมก็เป็นเวลาสิบสี่สิบสี่วันแล้วที่ไม่มีรถหนูก็อยู่ได้โดยที่ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องดิ้นรนออกไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่แต่ความอยากไปไม่มีค่า ม, มันลดลงอะค่ะก็แต่แต่เราก็มีความจำเป็นต้องไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยเราก็อาศัยว่าเมื่อไหร่ที่ลูกเขาว่างก็ขอให้เขาช่วยพาไปแต่ไอความอยากไปมันไม่มีมอืมเนี่ยค่ะอาจารย์การมาฉันทารดน้อยลงค่ะไม่ได้อยากออกไป แต่แต่หนูก็ยังทราบว่าใจหนูเนี่ยยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยเลยสี่แปดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เต็มที่เพราะเหนยว่าระหว่างหนูกับลูกเนี่มีความแตกต่างกันสูงแล้วถ้าเราเหมือนทุกวันนี้หนูหนูก็รู้สึกว่าหนูคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะคะ่ะด้วยความต้องการของวัยรุ่นเงี้ยแล้วเราก็เขาจะเยมือนได้ลาบยศรเสรนสมเยอ่อะค่ะหนูยังต้องนั่งดูทีวีเป็นเพื่อนเขาอยู่ไม่องั้นมันไม่มีอะไร มีอะไรที่จะพูดกันได้เลยอย่างเง <ต ant S 2> ี้ยค่ะอาจารย์ก็รอเขาอ่านจนเองเข้ามาทางเราก็ได้ให้เขาค่อยๆค่อยๆซึมซาบวิถีชีวิตของเราหนูพยายามนะคะอาจารย์แต่บางทีเหมือน <Jos. S 2> เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางทั่วทั้งอเมรกิกาเนี่ยเขาจะมีประท้วงเรื่องไอซ์นะคะที่เขาอหญิงผู้หญิงเสียชีวิตะนะคะอืเขาก็ลูกหนูก็ไปประท้วงกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไปยืนเป็นผู้หญิงแถวหน้าเลยอะไรเงี้ยไอ้ด้วยความ mm hmm. ที่เราแม่เราก็บอกเขาบอกเราเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเขาทนไม่ได้จริงๆเพราะพวกนี้เป็นพวกทหารทั้งหมดแล้วก็คุมสตปีสถานในเมโทรทั้งหมดเพราะเขารู้ว่าจะมีคนมาที่น่าจะมาตรงไอ้พวกไ อ, Capital, ไอ้แคปิตอลออแท่งดินสอนะคะ่ะ mm hmm. ก็เขาก็มีทหารไปยืนคุมทุกสถานีเลยมีปืนมีอะไรเงี้ยค่ะ ด้วยความที่เขาเป็นวัยรุ่นคึกขนองเขาก็ไปเหมือนไปว่าอย่างเงี้ยครับเราก็บอกเขาบอกว่าความไม่พอใจของเรามันไม่จำเป็นคือเรารู้ว่าเขาทำไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นอย่างเขาอะ ไ, งไงรเงี้ยค่ะใช่เขาเถื่อปืนเราเถือ่อเราไม่มี<ร>ปืนไม่ไปเลยเออลองมี <จะ S 1> แต่ไม่ใช่เถื่อคนดิ้งเลยนะใช่ค่ะหนูก็บอกเขาแต่กลายเป็นว่าเขาบอกว่าเหมือนเราไม่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพของตัวเอง ระแบบกันเลยอะคะะ่ะอาจารย์เหมือนไม่รูตอนนี้ตอนนี้กําลังมีอุดมอุ ด, อ ด, อดมการณ์สูงพวกคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเพิ่งจบมาจากมาอะไรเนี่ยใช่ไหมอุ ด, อ ด, อดมการสูงมากใช่คะ่ะใช่คะ่ะแต่พอผ่านไปวันหนึ่งเขาก็มาขอโทษแล้วเขาก็มาบอกว่าเออเขาเข้าใจอะไรเงี้ยนะคะแต่อารมณ์มากกว่าอารมณ์ที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ย น, นะคะนั่นแหะค่ะดูก็ ต้องคอยคอยคอยคอยดึงคอยหน่อยแม่นเดียวใช่ก็เลยต้องนั่งอยู่บางทีมีอะไรก็ต้องไปเป็นเพื่อนไปทําเป็นเพื่อนให้เขาเพราะเขาไม่ได้มีแต่กลุ่มเพื่อนเขาที่คอยออกไปอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์นี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพรอาจารย์โอเคค่ะยังไงก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนนะคะขอต้อนรับนะสาธุเจ้าค่ะ อาจารย์สภัตราต่อเยังไงดังนี้คิดถึงเท็กซัสไหมเรื่ยๆเฉยๆนะการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินลูกใช่ไ้มเจ้าค่ะได้ยินจ้าอันนี้ชัดเจนดีะใช้คอมพิวเตอร์แล้วเจ้ า, าจค่ะใช้นาฟลิก็เลยแัดเลยพอดีเพิ่งสอนเสร็จก็เลยต่อต่อแล้วโชคดีได้เข้านอาาอนไลน์สอนออนไลน์เลย เจ้าค่ะสอนเสริมภาษาอังกฤษเจ้าค่ะทํามหาลัยอยากให้ผักกันเรื่องภาษาอังกฤษก็เลยม <c oughs> ีการจัดตารางไม่ได้ก็เลยต้องเป็นช่วงหลังเลิกเรียนแบบนี้เจ้าค่ะก็เนะคะเราวพึ่งเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยสบายก็เล ย, เล ย, เลยไม่ค่อยเรียนเรียนเยอะไหม อ่าวันนี้มีนักศึกษาเข้ามาสามสิบกว่าคนเจ้าค่ะเจ้าค่ะคือเราเปิดให้ทุกชั้นปีแล้วก็เป็นเป็นอของลูกรับเป็นกลุ่มเก็คือกลุ่ม b ิ g i n น e r เอร์เจ้าค่ะเพราะว่าลูกอยากจ ะ, ะให้เขามีใจรักแล้วก็ทัศนคติในการเรียนภาษาก่อนแล้วค่ะก็เลยยังไม่อยากเน้นลงโทอีกเพราะรู้สึกว่าคะแนนโทอีกมันคือผล<ม>แต่เราควรทาเหตุให้ได้ก่อนใช่โปรแกรมอะไรการสอนอ๋อ เอ่อใช้ Microsoft Teams เจ้าค่ะ oh so m i จ้าค่ะเมื่อวานลูกไม่สบายลูกก็เลยไม่ได้ไปเอ่อไม่ได้ไปสอนที่ศูนย์วิทยาเขตนครนายกก็ก็บอกเขาว่าขอเป็นออนไลน์เจ้าค่ะ hmm. ลูกสอนส่วนกลางเอ่ออยู่ที่มอส่วนดุสิตที่ที่ที่เอ่อส่วนกลางที่เอ่อด้วยแล้วก็วันอังคารต้องไปนครนายกที่ที่ศูนย์วิทยาเขตนครนายกเจ้าค่ะ hmm. ก็ช่วงนี้ก็เลยออนไลน์เราเปิดคอไมไว้ก็เลยดีใจที่ที่ได้เข้านึก ว, ว่าคืนนี้จะไม่ได้เข้าแค่เห็นนะพระอาจารย์ลูกก็รู้สึกมีกำลังเจอค่ะหายความขี้เกียจบ้างอพยายามปฏิบัติของเราด้วยนะอย่าทิ้งงานปฏิบัติของเรา เจ้าค่ะปีนี้ลูกไม่ทันวันเกิดวันเกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันคล้ายวันเกิดสัปดาห์ที่แล้วทุกปีลูกจะขอพอรพระอาจารย์พระอาจารย์มอบพอ ร, พ ร, พรให้ลูกเล็มีกําลังต่อด้วยเธอเจ้าค่ะเออพอรที่แท้จริงก็อยู่ที่สตินะสติปัญญาอ่อแต่ก็ถ้าอยากจะได้พรก็อยากขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเข้าหน้าล้งนึิงไปตลอดนะสาธุ เ, เจ้าสาธุเจ้าค่ะ ล, ลราพรขอให้ไม่เกิดอีกนะเจ้าค่ะเจ้ น, นจพยาบาลทุกนคนที่เข้ามาในห้องนี้รู้กันอยู่แล้วจะไม่กลับมาเกิดกันนะเจ้าค่ะพยายามเจ้าค่ะแต่ว่าทั้งโลกวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินก็เพื่จจะเป็นก็ต้องวุ่นวายไรกับมันเราอย่าไปวุ่นวายเขาก็แล้วกันเราก็พยายามสร้าองอุเบกขาเป็นภูมิคุ้มกันไว้ เฉยๆไม่มีอะไรต้องพูดก็อย่าพูดเฉยๆใครจะพูดใครจะแสดงอะไรก็ปล่อยก็พูดก็แสดงไปเราสั ก, กนว่ารู้แบบเจ้าค่ะน้อมนำคำสอนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสใจโอเคใครที่คุณมาริกาต่อมริกายัางดูแลคุณพ่ออยู่นะ คุณรวกับแปดสิบแล้วเวลาคุอเกับร้อยค่ะวันนี้วันนี้อาจจะว่าพ่อหลับมากเกินไปมั้งก็ว่าพ่อลุกขึ้นี๋ยวก็ลาบนั่นกระโถงไปมาตามอยู่ครับก็จะแต่ว่าไม่เป็นไรค่าพระอาจารย์เดี๋ยวนี้นั้นการนิ่งของลูกไปได้เยอะมากแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกหมายถึงว่าสิ่งที่เรากระทบก็เทียบกับ เมื่อปีที่แล้วมันต่างกันเยอะมากค่ะพระอาจารย์ดังมั้นพอเหตุการณ์เกิดขึ้นกลับมาถึงบ้านก็ทาหน้าที่ของตัวเองก็ดูแลพ่อไปทำให้ดีที่สุดก็คือเอาจิตปาอยู่กับพ่อแล้วบอกว่าคิดอย่างนี้นะพระอาจารย์ที่ได้สงบลงเยอะก็เพราะว่าพ่อเคยพูดตอนที่อยู่สุขลินว่าเออสมัยเด็กๆนั้นพ่อเคยอาบน้ำให้ลูกนะ อเออพราะว่า๋ยวนี้ลูกต้องมาอํานหนว้พ่อแล้วก็เราอ๋อนะก็เลยจำตรงนั้นแล้วก็พอตอนนี้พอเอาใจไปด้วยว่ามีเมตตาใชา้จิตที่เมตตาและความใจที่มันละมุนอ่อนโยนสิ่งที่พ่อได้รับ ก, ก็พ่อได้รับแล้วก็ส่วนหนึ่ง ทำให้ลูกได้รับด้วยก็คือใจของเราอ่อนโยนขึ้นมากแล้วก็พอเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเรากลับมาอยู่ในบ้านเรามีความสุขเจ้าค่ะบ้าอาจารย์ความสุขมากแล้เหตุการณ์เกิดขึ้นกะทิ้งมันไปไม่ต้องไปสนใจแม่ไม่ไปสนใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่าเรื่องนั้นอาจจะว่าอาจจะกระทบใจของเราบ้างแต่ว่าพอกลับมาบ้านหายไปหมดเลยเจ้าค่ะบ้าอาจารย์นี่คือการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้จะไม่ได้ไปเคลื่อนก่ากับคุณอาอุษาแต่ว่าก็พยายามแว่าอาจารย์เวลาในหนึ่งปีสองพ่อจะลุกขึ้นละพ่อลุกขึ้นฉี่ก็มันช่วงนั้นก็ถ้ามีแรงก็จะรีบมาปฏิบัติน้่สมาธิบ้างทำทาจิตให้เราสนุกบ้างถ้าไม่ง่วงหน่อนอาจารย์ก็ก็ประอจารย์ก็พยายาม<ะ>ทำเท่าที่เราจะทำได้นะ เจ้าค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 1> ก็พยายามทำให้มากที่สุดเท่ า, าเ้าเวล า, าทุกเวลานาทีมีคนณค่ามาสําหรับการปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีใครเป็นแบบอย่างที่ดีที่ใกล้ที่สุดของคือพ่อมีแต่พ่อและก็เหมือนกับที่เคยพูดทุกครั้งว่าจะอาบน้ําเมื่อจะเสร็จก็จะอาบน้ําเสร็จพ่อจะพูด พ่อจะสวดมนต์นัโมแล้วก็อิติปิโสแล้วก็จะทานข้าวพ่อก็นั่งสงบนิ่งแล้วก็สวดมนต์แล้วขอนนอนแล้วก็ให้พ่อถอดนอนแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกมันสลุดหดหู่ตรงที่ว่าพ่อบอกว่าพ่อไม่สามารถอ่านหนังสือได้เห็นได้แล้วว่าตาไม่ค่อยเห็นตามันคฟ้ามัวอาจารย์อันนี้ก็ยังยังทําให้จิตใจมันมันรู้สึกว่ามันมัน มันขดปู๋งไงเพราะว่าสิ่งอื่นเราช่วยพ่อได้แต่สิ่งเหล่านี้ช่วยพ่อไม่ได้เจ้าค่ะพะอาจารย์ก็ต้องเป็นไปตามตามวาละของร่างกายมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเจ้าค่ะอาจารย์โอเคนะก็อย่าไปทุกข์กับมันก็นแล้วกันหาทุกข์ค่ะค่ะคุณแม่ชีน้รักต่อ่ยแม่ชีบวชได้กี่กี่ปีรักแม่บเดือนนะคะ ก็ตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วเมื่อสองอาทิตย์เนได้เข้ามากับนมัสการพระอาจารย์บทที่ว่าแสงธรรมกว้างเขาเขียวค่ะอันนี้บอ่าอันนี้อยู่ที่นั่นได้ไหมใช่ค่ะอยู่ที่นั่นหกเดือนแล้วแล้วอยู่ก็ให้เราอยู่เป็นกุฏิได้ยไงเออก็จะมีสองอย่างค่ะก็จะมีเป็นกระท่อมด้วยแล้วก็เป็นกุฏิแต่เม่ชีเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพ ทางวัดเนี่ยก็เลยให้อยู่กุฏิแต่ในกุฏิเนี่ยจะอยู่ห้องคนเดียวห้อห้องมีหลายห้องอยังไงนะวาก็ก็ก็หลังหนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่สามห้องท่านพระอาจารย์เนี่ยจะพยายามให้ไมช่ชีเนี่ยอยู่ห้องคนเดียวเพื่อที่จะภาวนาภาวนาได้แต่<ม>พวกหนึ่งก็จะอยู่กับท่อม ตอนนี่ก้าองศาครับอาจารย์<ม>พวกที่อยู่กระท่อมนี้โหดมากใช่แล<ม>้วก็ก็คือไม่เชียร์คือเป็นแค่การเกาเนาะแล้วก็เราทำงานกัะสบ้านนะพระอาจารย์ทุกเรื่องคืองานของเราอะเรื่องของสาบ้านคืองานของเรา<ม>แต่พอมาทางธรรมะเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเรามันก็ได้เกิดการ ethics ที่ที่ค่อนข้างมีปัญหาพราะหลังจากสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือข้อวัดที่นี่จะจะเยอะถ้าไม่ชีจะต้องทําเยอะจะต้องลอกของจะต้องร้างจานยังไม่ชีเองในตื่นตีสามก็จะต้องไปทํำข้อวัดแล้วก็ทําทุกอย่างเสร็จร้างจานจะมีเวลาเป็นของตัวเองก็อตอนห้าโมงแล้วก็นอนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็พอบ่ายก็ ภาวนาก็ฟังธรรมะจากพระ อ, อาจารย์ด้วยแต่เป็นเทปนะคะแล้วก็ของหลวงตาหมาบัวแล้วก็ไหวสามแล้วก็จะมีข้อวัดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ขัดกวาดตาแล้วก็พหลวงเจดีย์วิชีก็จะไปเจดีไปไปสดมอนแล้วก็เข้าสมาธิแต่สองอาทิตย์เนี้ยหลังจากขอกเสื้อผ้าอาจารย์เนะี่ยสติแตกค่ะ พระอาจารย์เคยบอกว่าลองเล่าให้ฟังว่าชุชชมชนเมชีเป็นยังไงเออเมชีเองก็คิดว่าในโลกของเมชีก็ไม่ต่างจากโลกทั้งโลกเท่าไหร่ก็ยังมีรากโลกโกรธหลงอยู่ก็ตอนนี้เนี่ยก็จะใช้กลยุทธ์ที่พระอาจารย์บอกว่าเออถ้าปัญหาไหนที่เรารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราแก้ไม่ได้เราเดินออกมาเราไม่ไยอมแพ้ แต่เรื่องเดินออกมาจากปัญหาแรงงานกับอันที่สองเนี่ยก็คือพูดน้อยและก็พูดในสิ่งที่ควรจะพูดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยเพราะว่าเป็นสังคมของเมื่อชีที่ที่เป็นผู้หญิงแต่แต่แตพออยู่ไปอยู่มาก็เลยมีข้อสงสัยเนี่ยระหว่างวัดบ้านกับวัดเมืองว่าทำไมวัดวัดป่าเนี่ยผู้หญิงทำงานเยอะนะเจ้าคะ่ะ ลอกคล้องทำทุกอย่างเลยอ่ะก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นเป็นมันก็แล้วแต่นโยนยันนโยบายของของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ใช่เฉพาะถ้าอาจะใช้ให้เราทํางานเพื่อให้เราจะได้ขยันหมั่นเพียรกนได้ใช่แล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะไม่ให้ไม่ชีมีนัเมื่อวนันว่างออตอนที่สติแตกเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ว่ามันถูกแรงกระทบจากไม่ชีไม่ชีโครงการกกเก่าซึ่งเราเมื่อก่อนรู้สึกว่า เออมันไม่น่าใช่นะในชุมชนของโลกโลกธรรมอ่ะก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปการาบพระอาจารย์โสภาเลยก็เลยบอกว่าท่านคะเม่ชีไม่ชินกับการอยู่ในโลกของคนที่เยอะๆแล้วมีปัญหาเพราะว่าเม่ชีทำงานกับชาวบ้านมาสามสิบปีแพงกะหรให้ข้อคิดแค่นั้นนะ่ก็มองว่ามันเป็นสภาวะธรรมแค่นั้นเก็ตเลยเจ้าค่ะ Mm hmm. มองทุกเรื่องจะมีแรงกระทบเี้อะไรเข้ามาให้คิดก็เป็นสภาวาธรรมแล้วก็เฉยอันเฉยแล้วก็จะเห็นด้ว่าเออเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปท่านก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับเนี่ยเราเดินรับบาดเนี่ยก่อนหน้านี้หนึ่งวินาทียังไม่ถึงไม่ชีพอตอนนี้ถึงไม่ชีไม่ชีใส่บาดเราแล้วเดี๋ยวเราก็เดินผ่านไปทุกอย่างมันผ่านไปได้ อันนี้ก็คือทำให้ใจเย็นลงแล้วก็ตอนนี้ก็เลยสามารถที่จะกลับมานั่งสมาธิ เ, าเข้าเข้าได้เลยแบบสามารถที่จะเข้าได้แล้วก็อยู่อยู่อยู่ได้นานขึ้นและอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะมีบุญอยู่อย่างหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์จะมีพระอาจารย์อย่างวันนี้ท่านพระมหาติจากฟินแลนด์มาอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์เสถียรเจ้าปัว อพระทาจารย์จะมาบอกโยกเวรพระอาจารย์สุชาติคท wow. okay> ah ี่ยังไม่เคยมาว่าแสงธรรมวังเขงเกี่ยวค่ะก็อันนี้ก็คือรายงานนําเรียนพระอาจารย์ว่าโยกของไม่ชีก็วางเฉยวางอุเบกขาแล้วก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีพัฒนาการที่ดีจุดหนึ่งก็คือว่าเอในเพื่อนแวดล้อมที่เป็นเพื่อนเก่าลูกน้องเก่าเนี่ย ก็จะประสบปัญหาอย่างเช่นเป็นเะเร็งอย่างกระทันหังเลยแล้วก็เพื่อนผู้ชายสามีก็ภรรยาเสียชีวิตกระทันหันทำใจไม่ได้ก็ไปบวชที่วัดป่าบุญล้อมก็เลยได้คุยกันแล้วก็บอกว่าธรรมะพุโทโธแล้วก็ไพฑูรยบทที่จำได้แม่นเนยคือชาลาร oh าธรรมหิชลานางอนาติตาบทนี้เป็นบทที่ทำไม่รู้ว่า ความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เราไม่ควรเสียใจเขามานเพราะวันหนึ่งเราก็จะต้องตายตอนนี้เนี่ยว่าแสงธรรมอขอกเขียวเนี่ยกำลังสร้างชุนก่อนสำหรับแม่ชีเจ้าค่ะแม่ชีงองค์ไหนตูทกองที่ถือชีวิตออตอนนี้สูงสุดเนี่ยก็จะแปดสิบกว่าพระอาจารย์เนี่ยก็เลยจะให้ความสำคัญกับตอนนี้เนี่ย พระอาจารย์เนี่ยนอกจากจะดเท่านก็จะมอบภารกิจส่วนหนึ่งเพราะท่านเองเนี่ยจะไปจะไปพัฒนาป่าที่ป่ามิง่งที่หลวงปู่มัน่นที่หลวงปู่ขาวอะไรตรงนั้นนะที่เชียงใหม่แล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเปิดพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สามที่สุรินท่านท่านจะไปทําข้างนอกเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยท่านก็กลับมาดูในวัดเพราะท่านก็บอกว่ า, าพระ พระเริ่มที่จะละเลยข้อวัดเรื่องสินสอ ง, องิเจ็ดข้อเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพระใหม่พระสิบกว่าปีเนี่ยสิบกว่าพรนษาเนี่ยจะจะไม่ค่อยเยอะแต่ไม่ชีเนี่ยก็จะจะสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดปีแต่ว่าอายุเนี่ยจะค่อนข้างเยอะก็คือในโลกของไม่ชีเองเนี่ย ใ น, ในในไมคีที่รุ่นนี้เ จ, น เ, จนเก่าเนี่ยเขาก็จะมองว่ า, เ, าเรื่องของความศรัทธาต่อตัวพระอาจารย์ในเรื่องของการเก็บบุญเล็กเก็บบุญ น, น้อยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ทานการทําทานเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่คราวนี้เนี่ยในเรื่องของการภาวนาเนี่ยทางไมคีเราเองเนี่ยอย่างขาดแคลงเพราะว่าเราเองจะไปถามพระ เราก็ไม่รู้จะไปถามองคไหนเพราะว่าพระก็จะแยกส่วนไปไม่ใช่ก็แยกส่วนแต่เขาโอกาสดนนีงามว่าถ้าถ้าใครใจกล้าแล้วไปหาพระอาจารย์โสภาซึ่งทุกเช้าหลังจากพิจารณาอาหารเสร็จเนี่ยใจกล้าเดินเข้าไปเนี่ยท่านก็จะชี้แนะทําให้เรากลับมาก็ก็ได้ข้อคิดจากจากท่านเยอะแล้วก็ท่านจะยกตัวอย่างในเรื่องขององค์ หลวงตามหาบัวสอนท่านมาอย่างไงทุกวันทุกวันทุกวันเ น, นี้ยนดะ้จังหวะก็ถึงเป็นเรื่องที่ที่ดีแล้วก็พอพระอาคารตุกะมาเนี่ยก็จะเล่าในเรื่องของวัดป่าบ้านตังในสมัยที่อยู่กับหลวงตามหาบัวว่าเราเราทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือในสังคมปัจจุบันเนี่ยเอ่อความความที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ย จะค่อนข้างยากยกตอย่างอ ย, งอยงเช่นกันอยู่กระท่อมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราจุดเทียนใช่ไหมคะเดี๋ยนี้เราก็จะใช้ไฟโคมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่บวดเนี่ยหรือผู้ที่เข้ามาอยู่วัดเนี่ยจะรักษาข้อวัดตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ได้มากน้อยขนาดไหนไในสิ่งหนึ่งที่ไม่ชิดปฏิบัติก็คือหนึ่ง เตืนปีสามคิดไปว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็พุโทโธทั้งวันซึ่งก็จะไม่เห็นผลเพราะว่าเานั่งสมาธินี่จะนั่งไในช่วงบ่ายก็ช่วงค่ําที่เข้ามาวันนี้เนี่ยเชื่อไม่คาพระอาจารย์ทุกครั้งที่เข้ามาพบพระอาจารย์ต้องอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้เข้ามาวันนี้เหมือนกันตอนแรกเข้าไม่ได้ก็อธิษฐานจิตแล้วเดี๋ยวบอกจะพระอาจารย์ก็จะไป นั่งสมาสมาธิต่อก็พยายามทำให้เป็นประจำใ้สิ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งซึ่งญาตโยมเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นี่ก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยตอนเย็นเนี่ยหรือก่อนนอนเนี่ยลองทบทวนว่าสินห้าที่ท่านถือเนี่ยหรือสินแปที่ท่านถือเนี่ยมันได้รัตเลยในข้อไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆว่า เอ่อเพราะเพราะัพระว่าอย่าไม่ชี้จะทบทวนหรือว่าสินข้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดข้อไหนที่ละเลยแล้วเรารู้เลยว่าในโลกของความมืนจริงเนี่ยข้อเสนอที่เราผิดสินเนี่ยก็คือข้อของในเรื่องมุสสาซึ่งเราไม่ได้โกหกแต่บางครั้งเราพูดจาอาจจะมีการกระทบกระทั่งมีการสอเสียดเว้นแต่ว่าเราจะตอบโตหรือการนิ่งเฉยซึ่งการนิ่งเฉยเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็การที่เราพยายามเห็นปัญหาและรู้ว่าปัญหาน้นแก้ไม่ได้คนคนนั้นน่ะนิสัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราก็เือนออกมาคุณแม่ชีตอนนี้ต้องขอสรุปนะเวลาใกล้จะหมดจ่าสาธุเจ้าค่ะขออานาคุยใหม่นะค่ะขอแพา ก, กันพาการแข็งแรงนะเจ้าค่ะไปให้คุณจีบเอะให้สองนาทีจีบ เวลมันจะหมดแล้วครับประมาณสักกี่นอาจารย์สองนาทีอะค่ะได้ค่ะเร็วพอแล้วค่ะไว่พูดเยอะค่ะันในปฏิบัติดีกว่าค่ะอาจารย์ไม่ใช่โยมหมายถึงว่าโยมก็พูดพูดพูดพูดไปก็เหมือนกับเราไม่ได้หมายถึงตัวเองนะคะว่าว่าแบบเราพูดไปแต่เราเหมือนกับพูดเราทําไม่ได้ก็เหมือนอาจารย์พูดก่อนหน้าว่าสัจจะอะค่ะ จะเป็นม้าตินต้นหรืตินปหม่ก็บอกว่ามีม้าแบบว่าที่ค่อยๆย่องๆไหมกลางๆนี่ไหมเอาเป็นเต่าหลักกันค่ะไปเรื่อยๆเอาเต่าหลักกันเต่าตัวนี้ใช่ค่ะเสมอใช่ค่ะก็เป็นเต่าไปค่ะไปเรื่อยๆค่ะเหน็บเหนยบางแต่ก็เดินแต่ถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนใช่ค่ะอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ตั้งเป้าไว้แล้วค่ะเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะ ค่ะพระอาจานย์ก็เหมือนที่สลินทอนบอกค่ะเมื่อวานโยมก็ไปส่งน้ํำหลวงตาชีอะค่ะท่าน 12, าาาหนึ่งร้อยสองพันษาก็แบบท่า น, บนาแบบใครอยู่เกินร้อนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วใช่ค่ะพระอาจารย์เห็นพระพระรูปอื่นท่านบอกว่าหลวงตาไม่มีโรคไม่มีโรคประจำตัวเลยนะคะไม่มี <บด S 1> เลยหมดแล้วหมดแล้ใช่ค่ะคือแค่แบบใช่ค่ะคือโยมได้คุยกับคุณแม่เออมาดูก่อนนะคะคุณที่เป็นแม่ครัวที่ทําอาหารให้หลวงตาค่ะ ท่านก็บอกว่าเดวงตาก็ค่อยๆเหมือนวิกวิกสุดท้ายอะค่ะก็ซือวิกก่อนหน้ายังเคี้ยวฟันท่านยังแข็งแรงฟันฟันจริงๆเลยนะคะไม่มีฟันปลอมนะคะยังเคี้ยวได้แล้วก็แต่ว่ากลืนไม่ได้ก็คือเคี้ยวแล้วดูดน้ำแล้วก็ปล่อยใช่ไหมคะแต่พอวิกสุดท้ายก็คือแบบต้องให้อาหารเหลวแบบฉีดก็คือท่านก็ไม่ไม่กลืนแล้วอะค่ะแบบไม่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็คือแบบ มันมันเราก็เห็นเราก็มานั่งปงเป็นตายรักนะคะแบบต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนท่านใช่ค่ะถ้าไม่ตายก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะโยมก็แบบอุ๊ยปีนี้ก็ชลินทรอนก็จะห้าสิบโยมก็จะห้าสบแต่แบบอุ๊ยครึ่งหนึ่งของท่านเราตรายังไม่ไปไหนเลยโยมแบบ ใช่ค่ะอยู่กับท่านอยูวอีกสิีใช่ค่ะมัใจของาจรย์ท่านแข็งแรงนะคะอยู่ไว้ถึงก็จะนานนะคะอาจารย์ค่ะถูกใจ่ะฮัลโหลคุณลาคุณลามีกี่กี่คำถามไหมกราบนมัสการพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าผมต้องรับรู้สิ่งที่ไม่ดีที่บางคนทําทุกวันทุกวันซึ่งหลีเลี่ยงที่จะไม่รับรู้ไม่ได้ และเราก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะรู้ว่าถ้าพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขผมจะต้องมีความไม่สงบในจิตใจครั้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้ที่ผมต้องรับรู้ทุกวันก็อยู่ในความคิดผมตลอดแม้กระทั่งในเวลาภาวนาผมไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่ก็สลัดออกจากความคิดไม่ได้ผมควรทำอย่างไรพระอาจารย์ช่วยสั่งสอนด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ ก็รับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปท่านเองแล้วเอามาแบกกันเองเนี่ยเขาพอเราฟังเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราก็จบแล้วอย่าเอามาคิดต่อฟังเฉยๆสักแต่ว่าแล้วมันก็ผ่านไปอย่างเนี้เราคุยกนะันตอนนี้คุยกเสร็จปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วอย่าเอามานั่งคิดต่อคํถาถามต่อไปกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะการที่ดิฉันนอนหลับยาก ดิฉันพยายามทำสมาธิตอนนอนจะเป็นการให้จิตทำงานจะยิ่งทำให้นอนไม่หลับไหมคะไม่เราก็การทำสมาธิเพื่อหยุดความคิดไม่ได้ให้จิตทำงานให้จิตพักผ่อนเดีแต่เราทำให้เป็นได้วิธีจะทำก็คือดูลมไปอย่าคิดอะไรดูลมที่ไปจะหมดนอนอยู่ในท่านอนนอนไปเลยแล้วก็ดูลมไปเดี๋ยวก็หลับแนละ้วทาเราไม่ได้คิดอะไร คำถามสุดท้ายจากคุณจุธามากขออนุญาตถามนะคะทําไมวันหนึ่งโยมทำสมาธิแต่มันอึดอัดหรือเกินจนแม้นกระทั่งเหมือนร่างกายจะระเบิดหลังจากนั้นโยมก็ป่วยเหมือนจิตเลื่อนลอยเป็นเพราะอะไรคะเพราะไม่มีสติไงไม่มีสติควบคุมกิเลสกิเลสมันชอบเคิ็ดชอบปรุงแต่งชอบจะไปทานู่นชอบไปทานี่ พอเราให้มันนั่งเฉยๆมันก็ เ, เกิดอาการเอือดดัดขึ้นมาแต่เราไม่สามารถควบคุมให้มันสงบได้ถ้าเรามีสติมากเราก็สามารถาที่จะทําให้มันสงบได้ยังพยายามฝึกสติบ่อยๆในระหว่างวันก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิพยายามพุทโธพุทโธบ่อยๆเรื่อยๆถ้าเวลามา น, นั่งสมาธิมันจะไม่เอือดดัดโอเคหมดแล้วจ้าแล้วก็หมดเวล า, า, า, าพอดีสำหรับคืนนี้